อาจารย์ครับการวักการครับผมเจริญกรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการงานที่เจ็ดสิบสองครับผมจัดอยู่นอกสถานที่แล้วครับอาจารย์ครับอยู่เทือใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้ขอโอกาสคุยเรื่องแบบ ตรามาดเลยครับรอาจารย์ครับรอาจารย์พูดเสมอนักติสันติปรังสุขขังสุขอื่นเหนือก็ความสงบไม่มีครับวันนี้จะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายว่านักติสันติปรังสุขขังเนี่ยคืออย่างไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ปร า, าังสุขขังนี้แบบนี้ครับพระอาจารย์ครับครับขอความเมตตาครับก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นความสุขสุดยอดของความสุขทั้งปวง ถ้าใครได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่สนใจกับความสุขในรูปแบบอื่นเช่นความสุขที่ได้จากอามยศสรรเสริญจากมูปเสียงกลินรสต่งางๆนี้เมืเ่อในเปรียบ เ, เทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วมันเหมือนฟ้ากับดิ น, นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็อยู่ ต่อความสุขของราบยศสรรเส ร, ริญของรูปสียงกิจรดมีเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีตําแหน่งสูงเป็นราชกุมารแล้วก็มีคนยกย่องสรรเส ร, ริญเยี่นย่อแล้วก็มีรูปเสียงกิจรลดโพธิภาพให้เสร็จตลอดเวลาโดยเฉพาะพระรา บ, บิดานี่พยายามสรรหาแต่รูปเสียงกิรดโพธิภาพที่สวยงาม ไม่อยอมให้รูปเสียงกินรสที่ไม่สวยงามเข้าไปในวังเช่นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ต้องการให้เ้าชายศิทธ า, ทาได้สัมผัสกับความทุกข์ของรูปเสียงกินรสต่างๆคอยสรรหาเอาแต่สิ่งดีๆสร้างปราสาทสามอดูให้ประทับเพื่อจะได้สัมผัสแต่ความสุขเวลาที่มีฤดูเปลี่ยนไป ที่ว่า จ, จะไม่เหมาะก็ย้ายที่ไปอยู่ที่ที่เหมาะกว่านี่คือความสุขที่เพเจ้าชายสินตได้รับตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดนี่ก็ถูกป้อนแต่ความสุขแบบนี้มาแต่วันหนึ่งงนี้พ่อองค์ทรงประทับอยู่ตามลพัอยู่ใต้โคนต้นไม้พอดีวันนั้นพวกข้าราชบริพารไปติดภารกิจอย่าเลยใน ให้พระ อ, องค์ประทับอยู่ตามลำพางชั่วคราวซึ่งตั้งแต่เกิดมานี่พระ อ, องค์ไม่เคยมีใครปล่อยทิ้ไงไว้ให้อยู่ตามลำพังเลยถ้า แ, แต่เกิดมาก็ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแต่อันนั้นเป็นโอกาสที่มีงานพิเศษอะไรขึ้นมาแล้วต้องการคนช่วยเหลือท้ะร า, าบริพานก็เลยต้องปล่อยให้พระ อ, องค์นั่งประทับอยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงพอคงยามี มีอายุพอสมควรที่จะอยู่ตามลนพังได้เอาอะไรปล่อยว่าให้ท่านอยู่ตามลำพังพอท่านอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากายวิเวกกายตาสจาดสิ่งต่างๆที่จะมารบกวนใจเป็นทปอ่ทการความสงบสงัดทางร่างกายจิตก็วิเวกขึ้นมาทันทีโยอัตโนมัติเพออดีตชาติท่านเคยบำเพ็ญ ทำหน่อนี้มาก่อนไปได้สัมผัสกับความสงบของจิตใจมาก่อนในอดีตชาติมันก็มีถูกฝังไว้ในในใจของพระองค์พอเหตุการณ์รอบร่างกายมันเ อ, อื้อมันก็ทำให้ความสงบนั้นปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราบอกว่าไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยั้งแต่เกิดมา เป็นความสุขที่เลิศดที่วิเศษจริงๆแต่เป็นความสุขเชื่อเดียวๆเพราะไม่นานพวกข้าราชบริพารก็กลับมาพอกลับมาก็ความสงบงั้นก็หายไปเพราะถูกรูปเสียงกิเลสจากข้าราชบริพาร น, นี้เข้ามารกรบมันไปแต่มันเป็นความสุขที่ประทับใจ ที่ทำให้พรอองค์ไม่ไม่เคยลืมเล้่มาถึงเวลาที่จะต้องสละน่าจะสมบัติเพื่อไปส้างหาความสุขความหลุดพ้นแบบนี้พ่อองค์ก็เลยไปได้อย่างง่ายดายถ้าคนไม่เคยได้สัมผัน์กับความสุขในรูปแบบนี้มาก่อนต่อให้เป็นมหาพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของเราเขาไปก็ทิ้งสมบัติไปไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปหาอะไร พยาว่าบ้าหรือเปล่าได้ของสุดยอดอยู่แล้วได้เป็นเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลกได้เป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามาหากตรยิยังไม่ทํพระเจ้าชาวดูว่าจะลาไปบุญไหมผมไม่ไปครจะไปทำไมถ้ายังไม่เคยทบทบกับความสมบความสุขแบบความสงบแต่ถ้าใครได้เรงปฏิบัติทำและได้สัมผัสกับความสมบแล้ว อย่าไม่จะเท่งได้อย่างง่ายด้เพราะมันมีมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างความสุขทั้งสองแบบว่ามันคนละเรื่องกันความสุขทางระดับทางโลกนี้มันก็มีความมุ่นวายตามมีเรื่องเวลาที่จะต้องให้คอยทุกข์ให้คอยลำคานใจอยูด้วยแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ไม่มีอะไรนะยง อันนี้แหละเป็นความสุขที่พูดปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทับปวงต้องใช้เป็นฐานไม่เป็นเครื่องมือในการที่จะออกจากกองทุกข์ของราบยศสละเสริญสุขได้ในลาบยศสละเสริญสุขมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจมันเป็นอนัตตาจะเจริญงล้าแล้วก็ต้องเสื่อมล้เมื่อกี้วันนี้ก็ได้อ่านข่าว เศรษฐีคนหนึ่งก็เป็นเศรษฐีแล้วต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวอถอยเจริญรากมาแล้วก็มีปัญหาบริษัทเนื้อเรื่องทรัพย์สินที่สูญหมดไปก็เลยต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเจริญรากแ ล, เล้เสญญื่อมรากเจรรญยศเสื่อมยศเห็นไหมมีตัดสินคดีกันอยู่เลย 8ปดปีแล้วไม่แปดปีนี่ยังโชคดียังไม่ยังไม่หมดแต่ก็รู้เวลาจะใกล้เข้ามาแล้วยศมีเท่าไหร่มันก็ต้องหมดครักธานทิบดีนายกสมัยนี้เขาก็ให้อยู่ได้แค่แปดปีถึงเวลามันก็หมดได้สารัศเซนก็เหมือนกันปีที่แล้วอาจจะได้รางวัลทุกตาทองแต่ปีนี้ก็อาจจะไม่ให้เราอีกแล้วก็ได้ มีการเจริญในการเสรื่อูกเสียงกิ่นรดก็บางทีก็ได้เสกบางทีก็ไม่ได้เสกเวลาไม่ได้เสกก็ทุกเนีย่ยเนี่ยนี่คือความสุขทางลาบยศเสริรเสริญมันไม่เที่ยงมันเลยกายทป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเราไม่เที่ยงเวลามันหมดอย่างที่เขามีคําพูดว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเวลางานเลี้ยงวันมัเป็นยังไงเศร้ากัน เวลาเริ่มต้นงานเลี้ยงเฮฮาโอ้สนุกเฮฮาพอถึงเวลาต้องจากกันโอ้เศร้าบ่ดแล้วแต่ความสุขที่ได้จากความสงบมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่อยู่กับใจคู่กับใจไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีทำมันแล้วมันก็ถึงแม้มันจะเสื่อมในในระดับแรกๆ ร, ระดับของสมาธินี่มันเสื่อมได้แต่เราก็สามารถเติมมันได้ ให้มันกลับมาได้เพราะเรารู้วิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นคือการเจริญสตินี่เองถ้าเราอยากจะให้ความสุขอันนี้เป็นทาวอก็มีพระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบวิธีมาต้องใช้ปัญญาต้องดูสิ่งที่มาคอยทำลายความสุขว่าคืออะไรสิ่งที่มาคอยทำลายความสุขก็คือความอยาก ความอยากที่จะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นที่ยังไม่ตายไปจากใจเพราะการได้ความสงบมันตายชั่วเฉพาะเวลาจิตอยู่ในสมาธิอันนั้นความอยากเสีรูปเสียงกลิ่นลดมันมันหยุดทำงานแต่มันไม่ตายแต่พอออกจากสมาธิมาพอได้มาสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรดเริ่มความอยากเดิมมันก็กลับขึ้นมาได้ แล้วความอยากนี่มันก็เลยทําให้ความสงบที่ได้มันหายไปกลายเป็นความพุ่งสร้างกลายเป็นความกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมากลายเป็นความมุ่งเก็ตขึ้นมาก็ได้ถ้ายังไม่ได้เสก อ, อันนี้ถ้าต้องการที่จะทําให้เก็ตไม่มาวุ่นวายกับความอยากเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ความอยากต้องการว่ามัน เป็นอย่างไรกันแน่มันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเป็นความสุขชั่ ว, วคราวก็พิจารณาได้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปกําหนดให้มันเป็นความสุขที่เ้าวอนได้ตามความต้องการของเราเพราะเราต้องการความสุขที่เท้าวอนกันแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นความสุขที่เท้าวอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงจเจริญแล้วเสือ่อม เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็เลยรู้ว่าต้องละความอยากนี้อยากเราทุกข์ถ้าไม่อยากเราใจก็หายทุกข์ใจก็กลับมาสงบเหมือนเดิมเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธินี่นี่คือวิธีการที่จะทำให้ความสมบแลความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้จะ เป็นความสง บ, บชั่วคราวให้เป็นความสง บ, บที่ถาวาด้วยคอยด้วยการคอยกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาที่ยังไม่ได้รับการจัดการด้วยปัญญาความอยากนี่มันเกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตอสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมไม่ได้ ต่พอทุกครั้งที่เห็นด้วยปัญญาเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นตายรักมันก็เข็ดเนมันก็ไม่อยากจะไปได้นะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกกับมันสู้ไม่เอาหนึ่งอเนี่ยอย่างเงี้ยได้ได้เป็นนายกอีกสองปีอาจจะไม่เอาแล้วก็ได้ครับไม่อยากที่จะต้องมาทุกกับมันอีกพอแล้วได้มาแค่นี้ก็พอแล้วเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์จากการเป็นนายกบางทีก็ไม่อยากจะเป็นก็ได้ ต้องเห็นทุกในสิ่งที่เราอยากได้เห็นทุกได้ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราจะทําให้ความอยากต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากนั่นหายไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นใจลับก็เลยทําให้จึงไม่มีความอยากที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากสมาธิ ความสงบที่ได้จากสมาธิเลยกลายเป็นความสงบที่ถาวรเราก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นบารอมาสุความสงบความสุขของพระนิพพานพรนิพพานก็จิตที่อยู่ในสภาพที่บอยสุทราศจากความอยากต่างๆนั่นเองท่านี้เป็นความสุขสุดยอดที่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดก่อนที่จะได้ครับสุขนั้น สมัยนี้าให้มีพระพุทธเจามาตรัสรูพบความสุขแบบเารอนก็จะได้แค่ความสุขระดับชั่วคราวเืินระดับสมาธิซึ่งก็มีผู้ที่เข้าถึงได้ในยุค ต, า ต, า ต, าตา่างๆสมายที่พระุทธเจ้าทรงศึกฝึกฝนอบรมก็เรียนจากอาจารย์ต่างๆที่ได้ความสุขจากที่ได้ความสุขจากสมาธิกันในรูปปัจจานะรูปปัจจานะแต่ไม่มีใครได้ความสุขแบบนิพพานกัน เพราะไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ว่าจะทํายังไงให้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้กลายเป็นความสุขแบบถาวรไม่โน้มกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยออกมาแล้วก็สมองเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็มีพาาระพุทธเจ้านที่ฉลาดทรงวิเคราะห์ว่าดจิตออกจากสมาธิแล้วไม่สงเพราะความอยากเนี่พอเห็นลูกก็อยากเสพลูกพอได้ยินเสียงก็อยากจะเสพเสียงต่างๆขึ้นมา มันก็เลยทำให้ใจกระวลกวายขึ้นมาแล้วก็ถึงขั้นหงุดหงิดถ้ายิงย่งอยากจะเสียมากๆยิ่งไม่ได้เสียมันก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาจนถึงอาการซึมเศร้าก็ได้ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้น้ำใจอย่างอันนี้ก็คือคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าทัตญวีรเขาเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธิมันจะมาหายไปไหนเวลาออกจากสมาธิมา มันหายเพราะว่าความอยากมันโผล่ขึ้นมาแล้วจะทําไรให้ความอยากมันไม่โผล่ก็ต้องหาสาเหตุของความอยากว่ามันมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงสาเหตุก็คือความหลงแต่หลงไม่คิดว่ารูปเสียงกิ่นรสสิ่งที่มีในโลกนี้จะทําให้ใจมีความสุขไปตลอดแต่พอวิเคราะห์เข้ามันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่เป็นไปตลอดเป็นความสุขชัวข่วคราวเพราะมันเสื่อมได้ ก็เลยทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องไปหาใหม่หามาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็เสื่อมหมดไป mm hmm. ก็เลยรู้ว่า mm hmm. ความอยากใน mm hmm. การหาความสุขจากสิ่งต่างๆในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นคําตอบแต่เป็นการหาความทุกข์เป็นการทําลายความสง บ, บที่ได้จากจากสมาธิ mm hmm. ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบสมาธิ ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆพอรู้ได้ปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยหยุดมันได้เันนีนเรารู้ว่าถ้าไฟมันร้อนนี่เราไม่กล้าไปจับมันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เคยไปจับไฟเห็นไฟบางทีก็มันก็ดูสวยนะครับมาไฟอาจจะอยากไปจับดูว่าเป็นยังไงพอไปจับเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นมันร้อนมันเป็นอันตรายต่อร่างกาย พอจับไฟไปครั้งเดี้วต่อไปไม่กล้าจาับในไปตลอดชีวิตนะเพราะมันเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอันตรายการที่เราจะหยุดความอยากาต่างๆได้เราต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นศตลอดเวลาเพราะมันเสื่อมได้เวลามันเสื่อมว่ากลายเป็นความทุกข์เห็นไม่มีข่าวคนไปซื้อรถใหม่มา ซือมาได้ไม่กี่วันเสียจะไปขอเปลี่ยนใหม่เขาไม่ให้ซ่อมกี่ครั้งก็ไม่หายความสุขที่มันจะได้จากการซื้อรถใหม่ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะรถมันไม่แน่นอนบางคันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาทั้งอู่ก็หาสาเหตุไม่ได้เจ้าของอู่เมื่อยามรับผิดชอบจะซ่อมอย่างเดียวไม่อยากจะเอาของเสียกลับไป คือว่าขายแล้วขายเลยอันนี้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดความทุกขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่มันดีร้อนเปอร์เซ็นตตลอดเวลามันอาจจะดีใหม่ๆ้ะเดี๋ยวมันก็เริ่มไม่ดีขึ้นมายังต้องเห็นต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่เที่ยง มันอาจจะดีต้นแตไม่ไม่นานจะไม่ดีมันจะกลายเป็นของไม่ดีไปแล้วความสุขที่น่าจับของดีก็กลายเป็นความทุกข์ไปเวลามันกลายเป็นของไม่ดีไปเห็นด้วยปัญญาเห็นใต้ลักเราก็จะสามารถระงับความหลงที่ไปอยากได้สิ่ง ต, ต่างๆได้เพอพรอย่างอะไรป๊มอม้ารเร็วมันจะเมามันเที่ยงไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์แล้วไม่ทุกข์ นับประการน้าถ้ามองอย่างนี้มันจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแนะมันจะต้องทําให้เราทุกข์ไม่ช้าระเดี๋วแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางของความคิดแบบนี้มองด้านเดียวพอคิดว่าสุขเอาเลยนะถุกหลอกกันเยอะแยะแล้วเห็นไหมไม่เข็ดกันแชร์ลูกโซเนี้ยหลอกกันมากี่ร้อยรอบมันไม่ไม่เข็ดกันมีมาหลอกกันใหม่ๆอยู่เด้วยโอ้ยได้กำไรให้กงินเยอะได้สุขได้ง่าย อ่าโดนเข้าไปเลยครับก็เลยทุ ก, กันในภายหลังอันนี้พูดเปรียบเทียมให้เราพยายามมองทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลามันเป็นเช่นนั้นเราก็อย่าไปเอามันดีปะ่ะถ้าไปเอามันแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทุกข์ในภายหลัง ช่วยหยุดความอยากนี้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ยายไปแล้วความสงบก็จะกลับคืนมาพอไม่มีความอยากพผล่ขึ้นมาในใจเลยที่นี้ความสงบก็สง บ, บเพียงเท้าอ่อนอาจารย์ครับแต่ว่าพอาจารย์เคยเล่าเรื่องหลวงตาให้ฟังว่าหลวงตาบวชตั้งหลายฟรนษากว่าจะแล้วก็สงบไปแค่สองถึงสามครั้งแสดงว่าความสงบนี้มันเข้าถึงได้ยากมากเลยใช่ไหครับอาจารย์ มันก็ต้องมีสติที่ต่อเนี่ยไม่เพลไม่พังเผลอเลยไม่มีแล้วก็ก่อนจะได้สติแบบนี้มันต้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะวิเวกไม่เกี่ยวข้องกับใครถ้าเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะดึงใจให้ออกเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรืนี้อันนี้หลวงตาบวชช่วงนแรกๆท่านยังไม่ได้ออกปฏิบัตินะท่านยังเรียนหนังสืออยู่ เรียนนักทำตีดทเองแล้วก็ต่อด้วยประเวณีห น, นึ่งสองสามหกพันศานี่ยแต่ท่านก็พอมีเวลาแบ่งมานั่งสมาธิได้บ้างท่านึงบอกว่าจิตทุงท่านรวมได้สองสามธรรนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วครัทีนี้ถ้าอยากจะให้มันรวมตลอดเวลานี่ท่านบอกต้องออกปฏิบัติท่านก็เลยมุ่งไปหาหลวงปูมัน่นไปหาหลวงปูมัน่นหลวงปูมั่นก็สอนแน่นแน่เลยว่าทําท่าใจให้สว่างก่อน ไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาปัญญานี่ท่านเรียนเรามากแล้วเป็นตอนเรียนต้องระดับสามประโยชน์นะมีเหลือเฟือพอที่จะเอามาใช้กับวิปัสสนาได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เพราะใจไม่สงบใจไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาเพื่อดักกิเลสได้แม่รุ่นเป็นทุกข์ร่วนไม่เทียงแต่ก็สู้กำลังของกิเลสของความหลงไม่ได้ ต้องมาทำใจให้สงบให้มีอุเบกขาก่อนแล้วพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้เอาปัญญาที่ไปเรียนมานี่มาพิจารณาได้เมื่อรู้วมันทุกข์ก็จะหยุดได้ปล่อยวางได้พราะถ้ายังไม่มีความสงบไม่มีสมาธิมันหยุดใจไม่ได้ก็หยุดใจไม่ได้ก็หยุดกิเลงไม่ได้เพราะกิเลสเปนอาศัยใจเป็นเครื่องมืออาจารย์ครับเมื่อหลายปีก่อนก็ได้ยินข่าวลี่มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ ท่านก็ดูแล้วเหมือนกระ บ, บวดมาหลายพรรษาแต่สุดท้ายก็สึกออกไปแสดงว่าท่านยังไม่ได้เข้าถึงความสงบอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับคือบางท่านอาจจะเข้าสู่ระดับสมาธิแต่ท่านไม่ได้เข้าในระดับปัญญาเคยมีผ้ารูปเหรียตทจุกสีการไปตามจิตครับผ้าชาวต่างประเทศนู่งเสื้อน้องถูกชาจนมีเข้าใกล้ชิดกับสีกาบ่อยๆเห็นได้เห็นตาทั้งวัน จิตแทนที่จะมองเห็นเป็นโพรงกระดูกเห็นเป็นตับไตไส้ตึงกับเห็นว่าสวยว่างงานจน เ, เกิดการมลาค้าขึ้นมาโดยไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้จนทําให้ท่าเหลียงนอนจนอยู่ทนอยู่ไม่ได้ครับถ้าอาจจะมีสมาธิแต่ถ้าไม่เจริญนิพพสนาไม่เจริญปัญญาแล้วพอเวลาไม่ไม่เข้าสมาธิพอถูกการมราคะบุกรุกเนบางทีก้าไม่ทัน กับเข้าสมาธิไม่ได้ก็เลยอยู่กับความรุ่มร้อนจนทนไม่ไหวก็เลยต้องลาสิกขาไปก็ยังดีกว่าบางลูกที่แอบอยู่ต่อไปแล้วก็อบไปมีอะไรกับสิกาแบบลับๆอย่างน้อยท่านก็นยองรับว่าอยู่ไม่ได้แล้วเป็นพระไม่ได้แล้วก็ต้องลาสิกขาไปเพื่ออยู่แบบคาวะเพราะยังสู้การมาราค่าไม่ได้ แต่ตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้เจอสีคาวมันก็ไม่มีอะไรมาปลุกมากระตุ้นอาจจะเจอแบบแบบผ่านานไปไม่ก็ได้ไปให้ความสําคัญแต่พอเจอไลน์นี้เขาไม่ทราบเป็นยังไงรู้สึกว่ามันถูกจเจริญเลือกให้มีความใกล้ชิดบ่อยขึ้นบ่อยข้างบ่อยข่าวขึ้นมาก็เลยทําให้กาดที่เคยมีตกไปได้ แต่ว่าความสงบที่เคยได้แล้วก็จะยังจําได้แม่นเล ย, ยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเคยได้สมาธิก็ายังกลับไปได้แต่ก็ไม่แน่ว่าสมาธิมันก็เสื่อมได้ อ, อถ้าไม่ทําไม่รักษาไว้ต่อไปถ้ามาถ้าไม่เข้าสมาธิอยู่ดีๆจะกลับเข้าไปสมาธิเหมือนเมื่อก่อนก็เข้ายากครับ ผ, ผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับออคุณวิทยาครับ โพชชงเจตเป็นองคธรรมที่ช่วยส่งเสริมในการเจริญสมาธิมีอะไรบ้างและจะปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอคุณก็รู้เนี่ยคุณมาถามเราทำไมโพชชงเจตคุณองไปเปิดดูได้เราตอบได้ว่าเราไม่รู้เราไม่ได้มันขอเราให้รู้ว่าสติสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอส่วนหน่างอื่นเป็นเหมือนเป็นองคเสริมที่มันมากับสติสมาธิปัญญามีอุเบกขามันก็เป็นผลที่มาตามมาจากการมีสมาธิ มีวิริยะมันก็มีความเพียรนั่นมันก็เป็นเป็นเป็นมรรคในอีกรูปแบบหนึ่งเนั่นเองทนที่จะเป็นมรรคแปบดบเขาเรียกว่าโพชฌงเจ็ดไปพระเจ้ามันจะแสะดงธรรมก็แสดงในหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ก็ถ้าดูในดีมันก็เป็นองค์ประกอบของมรรคละ ม, มีสติมีสมาธิมีวิริยะมีปัญญา แต่เพนต์แต่ฐนะอะไปัญญาเขาเรียกว่าธรรมวิจโยธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือการพิจารณาธรรมนั่นเองการพิจารณาธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาดังนั้นเปิดดูเอาครับคุณบอกราทอครับ นั่งลืมตาดูลมหายใจเข้าออกพออะไรเกิดขึ้นกับใจกับกายก็รู้เท่าทันแต่พอนั่งหลับตาดูเหมือนว่าจะใช้พลังงานเยอะทําให้รู้อะไรไม่ค่อยชัดครับขอคําแนะนําครับสิ่งที่ดูไม่ควรจะไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจทีนี้หนึ่ก็คือกิเลสดูผิดเป้าต้องดูว่าเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความโามงขึ้นมาหรือยังไปดูพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก อันนี้เป็นการฝึกสติท่นเเป็นการฝึกสติสอมสติให้จิตให้ตั้งอยู่กับในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาเพื่อเวลากิเลสเกิดขึ้นมาจะได้เห็นมันชัดขึ้นท่า น, นเองถ้าไปคอยดูอย่างอื่นไปดูรูปเสียงกลิ่นลดเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาอยากได้รับลดสรรเสริญก็ไม่รู้มันเกิดแล้วเอมองไปมองสิ่งที่อยากได้แทนเพว่า น, นี่ได้รับอันนี้ดีถ้าได้มาแล้วจะดีมันรู้สึกตัวว่าตอนนี้กิเลส กำลังตลบหลังแล้วนั่นให้มันดูกิเลสดูความโลภความอยากได้ในสิ่งต่างๆการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ได้เพื่อไปกาจัดกายขับใจคุณสมพรครับเรื่องจริตคนมีหกจริตอยากทราบว่าจริตไหนควรต้องปรับปรุงและแต่ละจริตต้องปรับแก้ด้วยธรรมะข้อใดครับ จริตก็คือสิ่งที่เราเป็นอารมณ์ที่เรามีในในเหตุการณ์ต่างๆบาง ท, งทีใครทำไม่ดีกับเราเราก็เกิดโกรธขึ้นม า, าก็เรียกว่าโทสะจริตจะเรียกว่าโทสะอารมณ์ไปลมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวของเรามีด้วยกันทุกคนะมีมากมีน้อยต่างกันเงบางคนมีมากทางโทสะเราก็เรียกว่าโทสะจริตบางนคนมีมากทางราคะก็เรียกว่าราคะจริต บางคนขี้โกรธแต่บางคนที่ขี้เที่ยวชอบชอบเสษกลางนี้เขาก็เป็นมันบางคนมันเด่นในแต่ละทางบางทีคนก็ขี้สงสยัยชอบสงสัยอยู่เรื่อยเขาก็เรียกพวกโมหะจลิตพวกขี้สงสัยอะไรต่างก็ต้องแก้โทสะเฉลิมข้าท่าไให้มันพ็ญบุเมตตาให้อภยัยอย่าไปถือเทิดเกลดเคือง ราคาเฉลกให้พิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆโลหะเฉลกให้ศึกษาทำมากคสาสอนพระเจ้าให้มากมากก็จะได้มีปัญญามาแก้คําสงสัยต่างๆได้อันนี้คือจริติต่างๆเราจำไม่ได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลทึ้งมีกันด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าคนใดจะมีสิ่งไหนมากกว่าบางคนหนักไปทาง โรคาคาามนคนก็หนักไปทางโทสะมางคนก็หมักหนักไปทางโมหะอะไรทำนองนี้ก็เลยต้องมีธรรมะซึ่งเป็นเหมือนยาพวกพวกหกจริตนี่ก็เป็นเหมือนโรคของใจเนี่ยร่างกายก็มีโรคหลายอย่างนอกทางทา ง, ทางทางท้องก็ต้องใช้ยารักษาทางท้องทางศาีรษะก็ต้องใช้ยาต่างกันไป เหมือนกันธรรมะก็เป็นเหมญอาเป็นธรรมะองค์สดที่จะมาล่าะรักษาจริตเหล่านี้ที่ให้ทําให้จิตมันสงบลงเพราะจิตเหล่านี้ราคาะเหล่านี้เอ่อจริตเหล่านี้มันมาทําให้จิตเราไม่สงบทําให้จิตเราวุ่นวายอาจารยครับแล้วคนที่หมดกิเลสแล้วนี่จริตยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์มีแต่มันไม่ได้อยู่มันมันอยู่ภายใต้การควบคุม นิสัยยังเคยเคยชอบแบบนี้เคยชอบแบบนั้นยังมีแล้วบางอย่างถ้าชอบนั้นมันไม่ผิดพระวินยัยท่านก็ปล่อยให้มันออกมาได้เช่นบางรูปท่านเคยชอบสูบบุหรีท่านก็ยังสูบบุหรี่ต่อได้หลวงปู่มั่นที่มาสูบเลยแต่ท่านไม่สูบมากท่านก็สูบพอประมาณเพราะจริตเก่ามันเคยสัมผันสมามันเคยชอบสิ่งเหล่นี้แต่เมื่อันไม่ผิดพระวินยัยมันไม่ได้ทําให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาท่งนก็ ท่าก็สูงถ้าไม่สูงแบบมีกเกลเอ็งคือถ้าไม่มีท่านก็ไม่ไปสั่งให้เขาซื้อมาแล้วไปหามาให้เรือไปขอคนท่านคนนี้ถ้ามีคนเอามาถวายซึ่งสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถวายพระเวลานิมนต์พระไปนี่เขาัะมักจะถวายหมากบุหรี่หมากพรูเป็นหนูตาท่านก็เชี้ยวหมากก่อนที่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านก็เชี้ยวหมากนี่ท่านก็ติดจัด ติดแล้วแรกติดเคี้ยวหมากก็ได้พอท่านสําเร็จแล้วมีคนเอาหมากพูมาถวายท่านให้ก็เอามาเคี้ยวเล่นท่านเองแต่ถ้าไม่ติดถ้าไม่มีใครเคี้ยวเล่นท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ไปสาให้เขาหาซื้อมาเช่นตอนที่ท่านไปประเทศอังกฤษเนี่ยท่านไปกรวจญาติโยมชาวต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษประมาณสองอาทิตย์ญาติโยมรู้ในวันดวงตาท่านเคี้ยวหมากเขากลัวเดี๋ยวท่านไม่มีหมากเคี้ยว ท่าเขาก็ได้หอบบาปครูไปถวายท่านที่สนามวิความไปสองท่านเยอะแยะไปหมดเลยหลวงตาบอกว่าเราไม่เอาไปหรอกนะเราจะเคี่ยวคําสุดท้ายที่นี่ให้พวกญาติโยมสลงส้งศรัทธาแต่พวกนี้เราไม่เอาไปนะเราไม่แตะถ้าไม่เดือดร้อนเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีให้ท่านเสกแล้วไม่เหมาะสมที่จะต้องเสกท่านก็ไม่เสกนทนะครับ <c oughs> แต่คนไม่เข้าใจคิดว่าอ้ามผ้าอาหารสูบุหรีได้หนระื ผ้าหา่นดืมกาแฟได้เนี่ยผ้าหารเ <c> ค <oughs> ี่าายวหมากได้เลยเพราะทางโลงถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นสิ่เสพติดนะเนี่ยกินกาแฟก็ติดเจียงเคี่ยวหมากก็ติดชูดบุหรีกะะ่ก็ติดเห็นเป็นผ้าหั่นก็ติดพวกนี้ได้เลยเห็นไท่านไม่ติดแต่ท่านก็ท่าก็เสพได้ว่าไงนะต้องแ ย, แยกแยะแล้วอ่ะการเสพกับการไม่การติดมันเสพแล้วไม่ติดก็มีเสพแล้วไม่ติดก็มีเสพแล้วติดก็มี เสพติดเนี่ยเป็นกิเลสเพราะยังมีความอยากแต่เสพแล้วไม่ติดมีก็เสพไม่มีก็กกจบไม่มีความอยาก <c oughs> แต่คนฟังแล้วยังไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้นะบางคนก็ยังว่ามันก็ยังมันก็ยังเสพอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่ครั <c oughs> บผมคุณสมพรครับ การที่ยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยเครื่องมือสื่อสารมากมายทําให้การอ่านหนังสือลดลงต้องแก้อย่างไรดีครับต้องใช้ธรรมะข้อใดครับก็ต้องใช้ใช้ใช้เหตุผลบังคับหลักถือว่าถ้าเราคิดว่าการอ่านหนังสือนี่มีประโยชน์กว่าดีกว่าแล้วก็อย่าไปดูสื่อสารทางด้านหน่งนอกจากมันจําเป็นจริงๆแตถ้าไม่จำเป็นเราก็มาดูหนังสือกัน การดูหนังสือมันก็ต้องการใช้สมาธิมากกว่าการดูสือ่อทางด้านอานื่น mm. แล้วแต่ น, นี้ต้องอยู่ที่ตัวเราเนะี่ยเราจะว า, างยังไงดีเราต้องรู้คุณรู้โทษของสิ่ ง, งต่างๆเมื่อเรารู้คุณรู้โทษแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าสิ่งไหนเป็นคุณสิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์น้อยประโยชน์มากเราก็ลเลือกเอาสิ่งที่เป็นคุณมากประโยชน์มากอันนี้ต้องรู้จักแยกแยะ คุณแดงครับเพื่อเป็นความรู้ครับว่าผู้ที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านมีวิธีการบําเพ็ญต่ออย่างไรจึงจะสําเร็จพระสกิทาคามีครับท่านก็จะเห็นโทษของความอยากเสกกรรมเลยสิเพราะว่าท่านยังมีความอยากท่านยังเสกการมอยู่ท่านบางทีท่านอาจะมีครอบครัวมีภรรยาและมีสามีท่านก็ยังเสกการมอยู่ทุกวันดีขึ้นดีสามีและปัญญาต้องไปต่างจังหวดัดไปทุนลาต่างประเทศ ทิ้กันที่ยกกันอยู่สักองเดือนนี่แล้วมีอาการเหงาสิเวลาไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้ร่วมหลับนอนร่วมกันก็าจจะคิดว่าเอ้นี่มันมันเป็นทุกข์เนี่ยว่ะเราปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เราก็ต้องแก้ปัญหานี้แิแล้วปัญหานี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอย่านีตอนนี้อยู่กับแฟนได้หลับนอนทุกวันมันก็เลยไม่ทุกข์นะแต่พอไม่ได้อยู่กับแฟนแฟนหายไปสักพักอย่างนี้ เวงาสิมันก็เลยเห็นโทษว่าอ๋อมันนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเคยเสพการอยู่เรื่อยเราไม่ได้เสพการมันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมานี่จะทํำยังไงก็เป็นเหมือนกับเป็นการติดยาเสพติดนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเลอกการเสพนี้ให้ได้เห็นเห็นโทษของการเห็นการเสพการและเห็นโทษของการมีการมาลาค่ะเร า, าจะแก้ยังไง ก็ต้องนึกถึงดูการมูลค่ามันเกิดได้ยังไงก็มันเกิดจากการไปเห็นของสวยๆวยงามๆของที่ถูกหัวถูกใจใช่ไหมแล้วก็เกิดการมูลค่าขึ้นมาแล้วเวลาที่ไปเห็นมุมกลับแหละทําไมมองตรงกันข้างไป ม, มองที่ส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วเป็นไงการมูลค่ามันหมดนะฮะกเราเวลาดูซากศพนี่ดูคนตายเนี่ยรื่องดูอวัยวะต่างๆที่มีภายใต้ร่างกาย ดูดูสูงสิ่งสกพรกที่ร่างกายขับถ่ายออกมาถ้ามันเห็นส่วนนี้แล้วมันก็การมาลงมันก็ไม่เกิดการมาลาคะตัวเองมันก็เลยทำให้รู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการตะลอยอสุภะต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามข่างกายอยู่บ่อยๆจนสามารถนะครับการมาลาคะได้เวลามันเกิดขึ้นถ้าเราก็ได้ทําให้มันเบาบางลงก็เียก็ได้เป็นขั้นที่สองขั้นอสปีดาคัน ก็ทําทให้มันหายไปหมดเลยมันพบขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะเรามีอรสุภาพคุมอยู่ยตลอดเวลาเห็นอรสุภาพตลอดเวลามันก็จะทำให้การมราคาหายไปหมดก็เป็นท่าอนาค า, าร์คัมภิสก์คุณเบื้อครับเวลาสวดมนต์ตอนเช้าทําไมต้องเห่าตลอดทุกครั้งคะเราจะทำํำอะไรไม่มอยากจะนอนอยู่สิทาไม มันก็ได้หาวแล้วอีกอย่างหนึง่งการสวดมันมันไม่ตื่นเต้นเล้าใจเหมือนกับการดูภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆมันเป็นการกลอมใจให้สงบมันก็ยิ่งทําให้หาวง่ายขึ้นไงต้องไปสวดที่ที่มันน่ากลัวแล้วมันจะไม่หาวถ้าไปสวดในป่าชา้าสวดที่เมรุนี้มันจะหายหายหาวเลย <c oughs> คุณมิลินครับจิตที่ได้รับการฝึกฝนแต่จิตยังมีความอยากจิตยังชาระได้ไม่สะอาดหมดจดต้องกลับมาเกิดเพื่อรับใช้กิเลสจิต ด, ดวงนี้ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นชุดความคิดเดิมใหม่เจ้าคะ่ะยังมีเหมือนเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความความสามารถของจิตเป็นเครื่องมือของจิตที่จิตใช้ในการที่จะ รับรู้เรื่องราวต่างๆต้ ง, ๆตงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญาทำา น, นทํทนหนานนนททหน้าที่ต่างๆให้กับจิตจริงจะเรียกว่าเป็นบริวารของจิตก็ได้เป็นสมองที่ทําหน้าที่ต่างๆวิญญาไปรับรูปเสียงกินรอด ม, มาสัญญาแปลการรูปรเมมปปสียงกินรอดว่มมาเป็นอะไรดีไม่ดีสึกพอรู้ดีไม่ดีก็เกิดสุดทุกเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุดเวทนาทุกเวทนาก็เกิดสังขาร ว, ว่าควรจะทำยังไงดี กับรูปที่ได้มาสัมผัสดำรู้ถ้าสุขก็เข้าหาถ้าทุกข์ก็ถอยนี้ออกจากมันไป น, นี่คือหน้าที่ของเจตนสญญาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของของจิตที่ไม่มีวันแยกออกจากกินเพียงแต่ว่าบางเวลามันก็ภาพ ก, การทํางานเวลาเข้าสมาธิพวกนี้มันก็หยุดทํางานชั่วคราวอาจจะหยุดบางส่วนอาจจะไม่ได้หยุดทุกส่วนก็แล้บางส่วนยังอาจจะทํางาน ที่หยุนชัดๆก็คือสังขารเวลาเข้าสมาธิเมตนาก็ก็หยุดไปสัญญาก็หยุดไปอาจจะหยุดไม่ไม่ไม่หมดก็ได้วิญญาณก็ยังอาจจะนับดูอะไรอยู่บ้างแ น, นี้แต่ที่ชัๆดๆจิตสอกเน่นจากสังขารความคิดพุ่งแตกขึ้นมาครับโดยที่มันไปมันไปกับจิต แ้วถ้ามันเคยคิดอย่างไรเคยทําอย่างไรมันก็จะทำต่อไปเคยชอบอะไรมันก็อยู่ที่สัญญาสัญญาไอ้สัญญาเนี่เป็นตัวจํานี่ยจำมาเราเคยชอบสีเขียวสีแดงพอไปเกิดพภหน้าเจอสีเขียวสีแดงก็จะชอบขึ้นมาทีแล้วเกิดสุขเวทนานทันทีพอไม่ชอบสีสีดาสีอะไรพอไปเจอสีดาเข้าก็จะเกิดความไม่ชอบอเกิดทุกขเวทนานขึ้นมา อันนี้มันเป็นสิ่งที่ปลุกฝังอยู่ในใจในสัญญาเป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่เก็บข้อมูลต่างๆข้อมูลเก่าๆเอาไว้แล้วพอไปสัมผัสกับสิ่งที่มันเหมือนกันมันก็จะมันก็จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นทันทีด้วยการรักหรือความไม่ชอบความรักชางโงของก็จะเกิดขึ้นทันทีนี่เหมือนคนที่เคยเป็นพระมาก่อนก็อยากเป็นพระ มันเด้แล้วใช่คนที่เคยเป็นพระพอไปทําะไรมันก็ไม่ชอบมันไม่ถูกใจคนที่เคยเป็นหมอก็อยากจะกลับมาเป็นหมออ่ะเพราะมันถนัดอะไรถนนอนนี่คนที่เป็นนักดนตรีนี่ก็อยากจะกลับมาเป็นนักดนตรีคนที่ เ, เป็นนักวาดเขียนก็จะกลับมาเป็นนักวาดเขียนเห็นไหมเด็กบางคนนี่วาดภาพได้สวยงามทั้งที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลยคเพราะเคยวาดมาก่อนในอดีตเนี่ยมันมันอยู่ในสัญญาณ แต่บางคนเล่นนาบัยหรือเล่นนาแต่อายุสามสี่ขเล่นเปียโนได้ละสี่อายุสี่ห้าเขวบก็มีสัญญาความจําในการเล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้มาก่อนเ ข, เขาทำเขาทําเรื่องเหลนี้แล้วมันง่ายแล้วก็มีความสุขเข า, าก็เลยกลับไปทำคนเราบ่อยใช้เลิกทําในสิ่งที่มันง่ายสําหรับเรานะเรามีความสุขกว่ามันใช่ไหมๆๆคนที่ชอบกินเหล้าก็จะไปเล่นไปกินเหล้ามัมนปเรียนหนังสือ คนที่ชอบเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ออมีควาก็จะไปเรียนหนังสือจะไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินแล้วไม่ไปกินเหล้ามอกยาเห็นแต่ละคนมันก็มันมันเป็นที่หล็กทิศสัยที่ฝังไว้ในสัญญาความจากด้านหมค ร, ค, รคุณแม่มิกกี้ครับกล่าวนวิส ก, การพระอาจารย์ครับสติทั้งโลกกับสติทางธรรมแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ่ะ สติางธรรมนี่คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปุ่มแต่ให้อยู่คิดให้ใจรู้เฉยเฉส่วนก็ก็สติทางนอกนี่ยังต้องคิดอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่เราทํางานจะต้องมีสติไหมไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราไปมัวกังวลกับเรื่องปัญหาทางบ้านปัญหาทางอะไรท า, ท, าทางอื่นแล้วไม่มีสติอยู่กับงานที่เราทำํำ ง, งานที่เราทําว่าผิดพลาดได้ ทำใช้กับเครื่องจักรเลยไม่ดีเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าใจขอไปคิดเรื่องอืง่นแต่ในขณะที่มีสติในการทํางานก็มีความคิดอยู่ทางงานด้วยว่า้ต้องทำอย่างไรดีขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาทําให้มันเร็วขึ้นทําให้มันชา้าลงเมื่องอะไรทำงานนี้อันนี้คือสติทางโลกคือมีสติอยู่งานที่เราทําแต่ต้องใช้ความคิดกลักลับไปด้วยเพื่อให้มันทําได้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด แต่สติทางธรรมนี้ให้ดูเฉยๆให้ให้มีสติอยู่กับงานที่ที่เราไม่เราไม่ต้องใช้ความคิดงาที่เช่นอาบน้ำน้าหน้าแปรงฟั น, ในใมัไนไม่ต้องใช้ความคิดอะไรคแต่เราต้องมีสติอยู่ก็มันเพื่ออะไรใจเราจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นนี่คือสติทางธรรมงานการเจริญสติทางธรรมได้ต้องไม่ทํางานทางโลกทำงานทางโลกเราวมันต้องใช้ความคิด ทิ่งทำงานบัญชีใ้ต้องคิดใหญ่หนระถ้าเป็นเป็นนักวิจัยเป็นแพทย์เป็นนักวิจัยมันต้องนั่งคิดทั้งวันทั้งคืนอ่านะไอ้นี่เป็นอย่างนั้นอ้นั้นเป็นอย่างนี้ทำงานถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้ น, น, น ม, ามานั่นต้องใช้ความคิดตอลอดเวลาจะมีสติอยู่กับงานที่เราคิดอยู่คือสติมันใจไม่ไปคิดเรื่องไม่คิดไปถึงว่าวไปเที่ยวไปกินขนมไปอะไรไม่คิดอกแต่มันต้องคิดอยู่กับงานที่กําลังทำอยู่ ห้าต่างกันตรงนั้นจึเงเรียกว่าสัมมาสติกับมิจฉา ส, สติสติทางลกหนึ่งคือว่าเป็นมิจฉาสติเพราะมันไม่เอื้อต่อการทําจิตให้สงบนั่นเองแตสัมมาสติก็เป็นสติที่ไม่คิดเป็นสติที่เอื้อต่อการทําใจให้สงบพอจะถ้าอยู่ในโลกนี้พอจะบาลานซ์กันอยู่ได้ไหมครับอาจารย์ก็ต้องแบ่งเวลาทํางานให้น้อยลง ทำ50 50ทำแค่เลี้ยงชีพสิทำแค่หาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าอาหารก็พอแล้วเสื้อผ้าก็มีเหลือเฟือแล้วยาก็สามสิบบาทรักษาทุกโรคได้ครับไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปใช้ของฟุ่มเฟื อ, อยต่างๆเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปใช้ของพุ่มเฟื อ, อยนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมจารสมาธิกันที่ทอย่างนี้คนที่จะม า, ท, า, ท, าทําทําได้ตอนต้นถ้ายังมาไม่ได้แต่นูแบบก็ต้องมาแบบเครื่งรูปแบบก่อน แห่งเวลาทํางานลดเวลาทํางานให้มันน้อยลงอย่างคุณนมอนี้พยายามตอนนี้ลดเวลาการทางานให้น้อยลงก็ะจะได้มีเวลาว่างในการที่จะมาใช้กับการเจริญสติปฏิบัติธรรมถ้าทํางานทุกวันมันก็จะไม่มีเวลาหมอบางคนที่ทำเจ็ดวันเลยนะครัถ้าดินได้ยังใช่ครับอาจารย์ทำงานปกติห้าวันแล้วก็ยังไม่ลาบงานเสริมอีกสองวันครับท่านจะไม่มีเวลาพักเลยแต่เขามีความสุขเพราะเขากำลัง ตอนนั้นต้องดารเรงนนินไงกำลังได้เงินหาเงินยิ่งทำยิ่งได้เงนก็มีความสุขแล้วไม่รู้สึกเห่อยเลยแต่สักวันนึงมันจะต้องเบื่อเพราะไม่ห า, าเงินแล้วเฟือแล้วเพืจะหาไปทําไมไม่มีสถาใช้มันเลยเนี่ก็สิ่งที่รัอนร้นเวลาทํางานลงนะแต่ตอนตอน้นตอนที่เริ่มใหม่ๆยังไม่มีเงินนะนักศึกษาแพทจบมาส่วนใหไม่มีเงินทอนทั้งนั้นมันจะเป็นลูกเศรษฐี ต้ อ, องเสียสิ่งก็าเรียนแพทย์เราต้องเรีนวิาชาเงินท้ายไม่ได้ไม่ไ้วิช่เงินช่วยองเดี๋ยวนี้ผมเหลือสามวันแล้วครับพอาจารย์ครับออแต่พอมีเงินเหลือกินเหลือใช้นี่ก็เบื่อเรื่องการหาเงินก็เลยอยากจะเอาเวลามาใช้เงินใช้ถาง บ, บ้างะไม่ใช้อย่างอื่นแทนอยากจะพักผ่อนบ้างก็ได้อยากจะทํางานที่เป็นที่เคยชอบงานฮอบบี้หลักอะไรก็ได้ใช่ไหม อนี็ทํางานอย่างเดียมทําำนานข้ามันก็เบื่อนะมันก็จําเจนใช่ครับตอนเจอพระอาจารย์ครั้งแรกผมยียงทำห้าหกวันอยู่กับพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็เหลือสี่แล้วก็สุดมาเหลือสามแล้วครับอาจารย์ครับ <c oughs> ดีลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆครับ คุณวราพรครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ฆ่าตัวตายอย่างไรจึงจะไม่บาปไม่ตกไปอยู่อวัยภูมิคะเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นได้ยินเจ้ากรรมในเวรสาบแช่งให้พบเจอโลคกระทำแปดและให้เราฆ่าตัวตายเหมือนเขาเอฆ่าตัวตายบบไม่มีแบบนะไม่มบาปแล้วแ ต, แตถ้าปล่อยมันตายโดยธรรมชาติของมันเช่นเราไม่รักษาโรคนี้แล้วปล่อยมันตายไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายเช่นเป็นมะเร็งเราตัดสินใจไม่รักษา ปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนทัน้งหมดอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่เป็นการฆ่าตัวตายเป็นการปล่อยให้น่ากายตายไปตามสภาพเพราะว่ารักษ า, างไงมันก็รักษาเพียงแต่ปรียบเวลาไว้เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้รักษาให้มันหายหายขาดได้มันก็จะต้องเป็นแนละ้วมันก็ต้องทําให้น่ากายตายอย่างดีเพียงแต่ทําให้มันช้าลงไปเท่านั้นเองแต่มันจะคุ้มกับความจ็กับกับ กับการที่คอยดูแลรักษาเหมหือนไม่าบางทีการรักษาแล้วก็ท ร, รมานทรมนุ่งคนบางทีการปล่อยให้มันไม่รักษาให้กลับไม่ท ร, รมานน่าทารม า, ารรักษาก็ได้คุณนัดดาครับการไม่ผูกพันกับบุคคลอื่นๆให้มีความสนิทสนมมากหรือเกี่ยวข้องใดๆต่อกันเป็นการรักษาความสงบนั้นเป็นแนวทางที่ควรทาหรือไม่คะ คือถ้าเกี่ยวข้องกับคนน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเราต้องการจะทําใจให้สบงบการจะทำใจให้สบงบได้เราต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวใครงั้นในทางโลกมันก็จะมองว่ามันไม่ดีเพราะเรายังอยู่ในโลกอยู่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันน้ำพิ่งเหนือเสือพึ่งป่าะเราก็จะทําตัวแบบเป็นคนโดดเดี่ยวก็ยากมบาบเพราะวันดีขึ้นดีลาจะต้องพึ่งพาคนนั้นคนนี้ก็ได้ แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องการคพื่งไครแนละ้วเราอยอมรับสภาพถ้าเราพึ่งตัวอะไรไม่ได้ก็อยอมรับกับเวรกรรมของเราไปไม่หวังจะพึ่งใครนี่เราก็ไม่ต้องไป ส, สนุนสนองใครไม่ต้องไปเข้าข้าสมาคมกับใครแต่ถ้าเรายัางกังวลว่าเวลาเรามีเรา ม, เรามีเรามีงานศพไม่มีใครมางานศพเราแเ้าก็ต้องไปงานศพของคนอื่นก่อน oh. <laughs> อย่างนี้เราก็ต้องไปเรื่อยๆในเวลาเรา เขามีวันเกิดเขาเชิญเราไปเราก็ต้องไปงานของเขาพราะเดี๋ยวเราจัดงานมันเกิดเราไม่มีใครมางานเราอันนี้ถ้ายังมีความกังวลอย่างนี้อยู่เราก็ยังต้องไปสังคมเราไม่เอาร่า ง, งา น, นต่างๆไม่ต้องการสังคมอะไรกับใครทักเส้นต้องการหาความสงบอย่างบบเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปให้ไปเกี่ยวข้องกับใครได้ใครเชิญส่งมาเชิญมาก็เฉยไปไม่ต้องไปตอบไม่ต้องปไปเตือนแต่เฉยไปไม่ต้องไปตอบว่าไปไม่ได้ห อ, อะไร บเวลาไม่ไปเขาก็รเพงางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ไปจะได้ซ้ําไปเพราะแขกเยอะบางทีเราไม่ได้เป็นคนสำคัญสําหรับเขาก็ได้แล้วก็าอาจจะเกรงใจเราเดี๋ยวจะหาว่ามองข้ามเราไปก็เ ร, เราต้องส่งบัตรเชิญมาให้เราก็ได้อย่างถ้าเราไม่ต้องไปตอบนั้นเองใครส่งบัตรเชิญมาใครชวนชวนมาก็าเฉยไปทนั้นรับคุณพนิดาครับ อยากเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเราควรเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากการศึกษาก่อนศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเช่นก็มาฟังคำสนทนาธรรมต่งตตางๆเหล่านี้กัก่อนแต่โดยหลักก็คือทางทางปฏิบัติยังถ้าจะปฏิบัติมันต้องมีศีลแปดขึ้นไปนะครับแล้วก็เรามีเวลาปฏิบัติ แต่ถ้าเราจะปฏิบัติแบบแค่วันละครึ่งชั่วโมงนี้ก็ยังไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นถึงสีห้าไปก็ได้แล้วหาเวลาที่ว่างพอที่จะมีเวลานั่งสมาธิได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเขาออกไปเรื่องเราลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปไปในใจพยายามทำโดยที่ไม่ไปให้ใจไปทำเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นพยายามบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป ไี่อยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างควบควบกันไปก็ได้แล้วแต่ใจแล้วแต่ความพอใจอันนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติทางขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นสมาธิคุณจอห์นครับในที่ทํางานหาความสงบสุขได้ยากอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะสงบสุขได้ท่ามกลางความวุ่นวายครับ มันก็ต้องมีอุเบกขาต้องมีสมาธิแต่นั้นถ้ไม่มีไม่มีอุเบกขามันก็ต้องไหลไปกับกระแสต่างๆที่มากระทบกับจิตใจมันก็ต้องว่าพยายามไปปิดวิเวกสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างความสงบขึ้นมาในช่วงวันที่เราไม่ไนดะ้ทา ง, งานก็ไปปิดวิเวกไปฝึกสติเป็นั่งสมาธิให้การอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วใจมันจะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆรอบข้างได้ คุลูกหมูครับแล้วควรสอบถามว่าหากเรานั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้รับบุญไหมคะกับคนที่มีชีวิตอยู่เราไม่ต้องแผแ่เราให้เขาเลยคําว่าเมตตาก็คือให้ความสุขกับเขาไปกอดเขาไปกราบเขาทำํำขนอมให้เขากินพาเขาไปเที่ยวทำนองนี้นี่คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่มีชีวิตอยู่แรับคนที่ตายเวลาก็ทําบุญอุทิศไปให้กับเขา คุณะพินนันครับลูกศิษย์ไม่สะดวกขึ้นไปถวายปัจจัยแต่จะโอนปัจจัยทำบุญอ๋อจะทำบุญกับพระอาจารย์ช่องทางไหนได้บ้างครับคำถามคุณหมอแล้วกันคุณหมอคงจะตอ บ, บให้ได้เดี๋ยวผมตอบนอกรอบดี ก, กว่าครับ <c oughs> คุณวิทยาครับสมาธิเป็นไปเพื่อทิฏฐิทิฏฐธรรมสุขวิหารสองเพื่อการได้ยาทัศนะสามเพื่อความสิ้นอสวะแต่ละข้อหมายถึงอะไรครับ เราก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาทางพร ะ, ะ, พระตาบิดโดกมาก น, นนะเราก็เลยค่อยๆจะถนัดทางนี้ก็ภาษาบาลีทิฏฐธรรมแล้วก็สุขวิหารก็คือความสดในปัจจุบันเนาะความสดใจในปัจจุบันยาหน้นาทนะเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญามันก็จะทําให้อสาาวะคือกิเลสหมดไป น, นั่นเองในสมาธิไม่ได้เป็น เป็นตัวที่ทําให้เกิดเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดสมาธิให้ได้แต่ความสงบสุขแต่การนักศาสนานี้เป็นการสนับสนุนปัญญาให้มีกําลังพิจารณาทำต่างๆให้เห็นอริยรสัจ ส, สีให้เห็นตายรักพอเห็นอริยรสัจสีเห็นตายรักได้ก็จะละอาสวะได้หมายก็คือสมาธิเป็นไปถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เจริญปัญญาก็จะได้แต่ความสงบสุข ชั่วคราวอย่างที่เราพูดกั น, น, น, ขขนเนี่ยนทีสันติบาลังสุ ข, ขังเนี่ยว่าบาลังสุขังก็คือทิฏฐธรรมสุขวิหารนี่วิหารก็คือที่อยู่ที่อยู่ความสุขเนีคือเป็นเครื่องอยู่ของใจที่มีสมาธิคือความสงบรือความสุขแต่ยังไม่ได้ปัญญาแต่จะสร้าสมุรถนการจะเป็นปัญญาได้ พอใจที่สงบนั้นจะไม่หิวโหยกั บ, บอารมณ์ต่างๆพ อ, อจากสมาธิมาก็สามารถพิจารณาสุภาพพิจารณาตายรักได้อย่างต่อเ น, นื่องพอเห็นสิ่ง ต, ต่างๆว่าเป็นตายรักเป็นสุภาพก็ระงับอาสวะกิเลสตัณหาได้คุณนัทวดีครับจะแนะนำให้ผู้ป่วยซึมเศร้าฝึกสติอย่างไรคะ ก็ให้เขาหยุดคิดให้ได้ควาคิดเนี่ยทําให้เขาสึ้เศร้าหรือหยุดความหวังความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความปิดหวังนี่มันทําให้เขาสึ้เศร้าเพราะว่าเขารู้สึจว่าท้อแท้อยากได้อะไรก็ไม่ได้ทักทีก็เลยเกิดอาการเบื่อหน่ายก็ดอาการท้อแท้สิ้เศร้าขึ้นมท่านจะให้เขาหายสิ้นเศ้าต้องบอกเขาว่าเราอย่าไปหวังอยากไปอยากได้อะไรได้ไหมให้ยินดีตามมีตามเกิดให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ บางส่วนบางคนที่เข้าแยกกับเราดูมองคนที่เข้าหุ้นหัวตาบอดแขนขาด้าขาดดูก็ยังอยู่ได้ก็ยังมีความสุขได้ในเมื่อเรามีอาการครบสามสิบสองมามีงานทํามีอะไรต้องเราจะไปซึมเศร้าทำไมที่เราไปซึมเศร้าเพราะเราอยากมีเหมือนกับคนที่เหมือนอยากมีกับกับอยากจะมีเหมือนกับคนที่เราที่เราไม่มีคนอื่นเห็นองมีแฟนเราไม่มีแฟนก็อยากจะมีแฟน พอเราไม่มีแฟนขึ้นมาเราก็เสียใจเศร้าใจนี่คือปัญหาของความซึมเศร้าคือความผิดหวังต่างๆงั้นอย่าไปหวังในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้แล้วเราก็จะไม่ซึมเศร้าให้เรายินดีตามมีตามเกิดยินดีตามสภาพของเราถ้าทาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงให้ฝึกสติให้บริกรรมพุโทโธก็ไม่รู้จะทำได้แบบ พอใจมันก็มันไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรคนที่เสื่อมเศร้าอันนี้น่ะคิดว่าเป็นวิธีการถ้าบอกเขาได้บอกให้เราลดความต้องการความอยากของเราให้น้อยเราอย่าอย่าไปอยากในสิ่งที่เกินความสามารถของเราทำในสิ่งที่เราทำได้พอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้ครับอางนี้มันก็จะไม่สืเศร้า คุณแรงมรรนันใจครับการน้มัศการาอาจารย์ครับหากทํากรรมไม่เชื่อฟังพ่อแม่จนทําให้ท่านเสียใจและขอเข้ามาไปแล้วแต่ก็ยังคงเผลอสติทําผิดบ่อยครั้งเป็นคนขี้มโมโหพยายามจะเดินสติแล้วแต่ไม่ก้าวหน้าควรทําเช่นไรดีเจ้าคะก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆเลยถ้าจะให้ดีอาจจะต้องลงโทษตัว เ, เองทุกครั้งที่เราทําผิดเช่นเราอาจจะห้ามไม่ให้เราทําในสิ่งที่เราชอบทํา เรื่เราชอบดูหนังซีรีส์่นี้พอเราเกิดทําผิดพาาลาดขึ้นมาก็ลองลงโทษอย่ยาไปดูทักงสองวันสามวันครับเราก้าวลงโทวตัวเราเองไว้นะถ้าเราก้ารลงโทษตัวเราเองได้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะแก้ไขได้ถ้าเราทำอะไรผิดแล้วไม่มีการลงโทวมันก็ไม่รู้สึกมีความจําเป็นที่จะต้องไปแก้ไขนะเขาจะมีคุก ม, มีตารางไว้เพื่ที่จะปลามคนที่ทําผิดให้กลับใจ ทำผิดอ่ะอยู่ในคุกสักสามเดือนออกมาแล้วเป็นยังไงเข็ดไหมอ่าถ้าไม่เข็ดทาใหม่อ่ะคาหน้าหกเดือนอะไรมนี้ถ้าไม่เข็ขเดขก็ช่วยไม่ได้นะไม่รู้จะทำยังไงนะคุณนัชชาครับลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ทำให้แม่ร้องไห้เสียใจยในหลายๆเรื่องทั้งที่เขาก็มีลูกของตัวเองด้วยเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคะ ไม่ท้อใจลูกที่ทอ้อทิ้งพ่อแม่แล้วทอ้อทิ้งแม่ทํำให้เราแม่เสียใจแล้วตัวทนที่ทอ้อทิ้งแม่ก็มีลูกของตัวเองใช่ไหมค <servers. S 1> รับได้ยังไงแล้วก็เหมือนกับว่าถามแล้วคนคนนั้นจะได้รับผลยังไงครั บ, ม, บมันไม่เกี่ยว ว, ว่<ง>าตัวเองมีลูกก็ไม่มีลูกลใช่ไหมคือครับทอ้อทิ้งพ่อแม่มันก็ทําเป็นตัวอย่างถ้าลูกเขาเห็นเราทอร้อทิ้งพ่อแม่ได้เขาต่อไปลูกเราก็จะทอ้อทิ้งเราได้เถ้าเราทํเาททเป็นตัวอย่างให้เขาเห็น แม่ปู่สอนลูกปู่สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่เดินเฉยไปเฉยมาลูกเห็นแม่เดินอย่างนั้นมันก็เดินแบบนั้นแหละแม่เคถ้าแม่เป็นคนกระตันอยู่ลูกก็จะเป็นคนกระตันอยู่ตามพราะมีตัวอย่างที่ดีให้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะว่าบางคนถ้ามันเร็วสุดเร็วหนึ่งต่อให้ทําความดีอย่างไงมันก็ไม่เห็นนะมันก็จะทําตามตามความเร็วของเขาอันนี้พูดถึงคนที่แบบว่ายังมีจิตสํานึกบ้าง จะต้องมีการกระตุ้นในการสอนมีการเตือนในการทําเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะทําทให้ลูกได้มีอะไรมาเตือนใจให้ทํำในสิ่งที่ดีได้การที่เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีความเคารพพ่อแม่ของเราทุกครั้งที่พ า, พาลูกๆไปกับปู่ย่ยาตายายแล้วก็ทําทําตัวเราให้ให้เรียบร้อยให้มีความเคารพมีข้าวมีของไม่ฝากอะไรอยานี้ทำให้ปู่ย่าตายายมีความสุขลูกหลานก็เอทงทํานี้ต่อไปเขาก็จะ คิดถึงแต่เวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็จะทําทให้เขาอยากจะทําตามที่เราทําให้กับเขาเนื้อเราต้องทําตัวอย่างตัวเราให้เป็นแบบใช่ไหมสอนด้วยคําพูดอย่างเดียวบางทีมันไม่พอเนมันต้องสอนด้วยการกระทำมันจะมีมันมีน้ําหนักมากกว่ากันเยอะยังก็ถึงสอนว่าพ่อแม่อย่าทะเลาะกันต่อลูกต่อหน้าลูกใช่ไหม บ, บอกรูกว่าอย่าทะเลาะกันแต่เวลา พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันต่อหน้าลูกแล้วมันไปสอนอะไรลูกอก็สอนว่าทะเลาะ ก, กันได้ ค, คุณปุญญาชาครับเวลานั่งสมาธิตอนที่สติอ่อนไม่มีกําลังมักจากสับะงกและหลับในบ่อยๆช่วงหลังมานี้ลามไปถึงตอนสวดมนต์ทำวัดด้วยค่ะสวดออกเสียงด้วยความเคยชินแต่รู้สึกตัวได้ว่าหลับในค่ะเขา อ, อุบายเพิ่มสติและกาลังใจในการปฏิบัติจากพระอาจารย์ค่ะ อันนั้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากท่านั่งมาเป็นท่านเดินแทนแล้วก็สวดไปสวดวนไปในขณะที่เดินไปเพราะตอนนั้นร่างกายมันสบายมันมันอยากจะนอนนะก็ต้องวิขึ้นมาให้มันมีการเคลื่อนไหวบนะ้างพอมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทําให้ร่างกายค า, าราคาเติบขึ้นมาคุณป้อมครับการกวดน้ําต้องมีน้ําทุกครั้งไหมคะการกวดน้าคือการอุทิศบุญ การทิ้งบนนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีนะเพียงแต่แเราเลิกภายในจิตใจของเร า, เ พ, ราพอหลังจากที่เราทําบุญเสร็จก็ข อ, ขอทิ้งส่วนบนนี้ให้กับท่านผู้นั้้นนผูี้ไปก็จบไม่ต้องมีนะคุณกรวีครับขอความเมตตาถามท่านพอาจารย์ว่าบอกเลิกแฟนไปแล้วแต่ยังคิดถึงอดีตที่เคยอยู่ด้วยกันมาแต่พอกลับไปก็มีความทุกข์ใจทําอย่างไรถึงจะตัดใจได้ครับเพราะกลัวการอยู่คนเดียวครับ ก็ไม่คิดถึงตอนที่เวลาทุกข์กับเขาไม่คิดถึงตอนที่สุขกับเขามันก็อยากจะกลับไป เ, เราคิดถึงเวลาที่เราทุกข์กับเขาโดยวยเหตุที่ทําให้เราเลิกกับเขาเพราะเราทุกข์กับเขาไม่ใช่งนะั้นเราพยายามนึกถึงความทุกข์สิอย่าไปนึกถึงความสุขถ้านึกถึงความสุขมันก็ยังทาให้เราอยากจะกลับไปหาเขาอีกจากคุณดาวเดลมาติเวอร์ซัลยูนิตี้ครับขอโอกาสครับในแต่ละขั้นของการเจริญปัญญา มีดที่คมใช้หั่นกิเลสคือไตรลักษณ์หรือครับใช่ทุกขั้นของการจะไดปัญญานี่มันต้องใช้ไตรลักษณ์คือคือคือสิ่งที่ต้องทําลายนี่มันมีหลายหลาหลายสิ่งด้วยกันแต่ก็ต้องใช้ไตรลักษณ์เป็นเครื่องมือในการตัดในการทําลายในแต่ละสิ่งในความอยากของแต่ละความอยากมันมันอยากคนละเรื่องกันอยากได้ราบยลสารเสรงก็นำมาเห็นว่าราบนยลดสรรเสริญเป็นเป็นไตรลักษ มันก็จะละได้อยากมีแฟนก็ต้องพิจารณาว่าแฟนเป็นตารักมันก็จะละได้ยังไม่ว่าเราอยากอะไรพยายามมองให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วเราก็จะละได้คุณพระรัตครับการรับฟังเข้าใจและยอมรับในปัญหาผู้อื่นโดยไม่ไปตัดสินความคิดเห็นถูกผิดของผู้อื่นเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างไรครับ ก็อย่างน้อยก็เป็นที่ให้เขาได้ระบายว่ามีคนสนใจฟังปัญหาของเขาอยู่เพียแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้เราก็ชเฉยๆไปเล่าฟังไปเหมือนจิตแพทย์ส่วนใหญ่จิตแพทย์เขจะให้คนไข้ระบายนะคุณเป็นยังไงมีอะไรพูดนะเล่ามาให้ฟังาสิ่งไหนที่จิตแพทย์แนะนําได้ก็แนะนําไป คือบาคนเขาบางทีไม่รู้จะไปพึ่งไข่ไม่รู้จะไปพูดกับไข่การฟังรับฟังปัญหาของเขาทำให้เขามีความสุขได้เรือบรรเทาความรู้สึกเหงาว้าวขาดที่ขึ้นได้ในระดับนีน้อันนี้ก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้หมนก็แสดงความเมตตาให้กับเขาว่าเรายังห่วงใยเขานะเรายังสนใจเขาอยู่ไม่ใช่เขามาขอพูดอะไรตะเพิอนี้เลย อย่างนี้มันก็เ ป, นเป็นการไม่ได้ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณสมพรครับบางครั้งโยมสัมผัสถึงความสุขจากความสงบแม้ช่วงระยะสั้นๆชนิดช้างกระดิกหูแล้วก็มีสิ่งอื่นเข้ามาเป็นปกติเหมือนเดิมอย่างนี้ถือว่ายมพอจะมีความหวังมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบยิ่งขึ้นต่อไปได้ใช่ไหมครับหรือว่าโยมคิดเองเออเองโยมยังไม่แน่ใจในความสงบดังกล่าว แต่รู้สัมผัสได้ถึงความสุขอย่างแท้จริงครับมันตองโยมต้องรู้เองว่ามันเป็นความสุขที่ดูดื่มใจหรือไม่อยากจะได้มากกว่านี้ได้อยากอยากจะได้เพิ่มขึ้นหรือไม่มันต้องรู้เป็นสันติกโกถ้ามาถามคนอื่นนี่มันยังแสดงว่าโยมยังไม่แน่ใจว่าเป็นความสุขที่ที่ดูดื่มใจหรือไม่ถ้าเป็นความสุขที่ดูดื่มใจไม่ต้องไปถามใครละ เหมืนเวลาโยามตัดสินชอบใครคนนั้นคนหนึ่งแล้วคุณไปถามคนอื่นหรือเปล่าว่าคนนี้คุณเราชอบจริงไมเน่ยนะคนรู้อยู่แก่ใจแล้วคุณชอบคนนี้คุณตัดสินใจแล้วคุณจะต้องอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตคุณไม่ไปไม่ปไมเปไ เ, ปไเปรักษาใครหรอกมันเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้อยู่แก่ใจของคุณเองความสงบความสุขที่ได้อย่ความสงบก็เป็นแบบเดียวกันนะเป็นสันธิเตโก คุณรักครับหากต้องทํางานกับเจ้านายที่จู้จี้จุกจิกมากเกินไปสั่งงานเพิ่มทุกวันถามทุกบรรทัดแก้ไขางานทุกบรรทัดจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับจะทํางานต่อหรือควรจะมองหางานใหม่ครับก็อมองดูที่เงินเดือนที่เข้าใจ่ายเราดิเขาจ้างมาก็ไม่ได้ใช้เราแบบไม่มีเงินเดือนงั้นถ้ า, ายัางต้องอาศัยเงินเดือนเขาอยู่ก็ทําใจทําไปตามคำสั่งของเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องการเงินเดือนของเขา ถ้าไม่อยากจะอยู่ใกล้เขานะราออกไปไปหางานใหม่คุณซีครับ <c oughs> เพิ่งเริ่มฝึกทำสมาธินั่งนิ่งๆหลับตารวบรวมสติไม่ให้หลุดออกไปนานท่องพุทโธพุทโธ ร, ระหว่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกสงบพอสมควรแต่ทำได้แค่ครั้งละ1ิบถึงบนาทีเพิ่งจะทำทุกคืนแค่ประมาณ1ิบวันอายุก็ไม่น้อยยังไม่เข้าใจภาษาธรรมะโดยภาษาบาลีแต่อยากจะเพียรพยายามไปเรื่อยๆ แม้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่จะเข้าถึงเดินมาถูกทางสักวันไหมครับกับขอคำแนะนำครับก็ต้องทำสติให้มากขึ้นไม่ใช่เรามาทำแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นพยายามฝึกสติตลอดวันเวลาไหนเรานึกได้่าพุทโธพุทโธไปเลยเวลาไหนที่เรานี่ใจอยู่ราว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปวดหัวซึ่ง่าพุทโธพุทโธดีกว่าพยายามหาเวลาพุทโธพุทโธ ในระหว่างมันให้มากที่สุดท่าทีออยาทำได้แล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธินี้จะนั่งได้นานขึ้นไปและอาจจะสงบมากขึ้นไปด้วยคุณเดอรมัลติเวอร์ซ่าคำถามที่สองครับผู้ทำความดีทำบุญควรปิดท้องหน้าพระหรือหลังพระได้อะไรส่งมากกว่าครับปิดทองหลังพระมันสบายใจกว่าเพราะไม่ต้องมาข้างวนกับ คนอื่นว่าเขารับรู้หรือเปล่าว่าเขายินดีหรือเปล่าเข้าอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าเราไปปิดท้องหน้าพระคือหวังให้คนเหน็นเขาแสดงความยินดีด้วยขอบใจเราด้วยธรรมนองนี้ถ้าเกิดเขาไม่แสดงความยินดีไม่ขอบใจเราเราอาจจะเกิดความเสียใจได้เพรฉะนั้นถ้าเราทํากิดท้องหลังพระเราทำเพื่อความสบายใจแล้วทาําว่าเราได้ทําความดีได้เสียสละแบ่งปันไป้วคนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเขา ไม่สนใจอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขเต็มที่แต่ถ้าเราไปทําเพื่อเอาหน้าตอาตาถ้าเกิดไม่ได้หน้ า, าตาขึ้นมาเราก็อาจจะเสียใจได้จะไม่ได้ความสุขเต็มที่คุณบัณฑิตครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิลมหายใจที่เรากําหนดเข้าออกเป็นลมหายใจที่ละเอียดแล้วหรือยังเป็นลมหายใจที่หยาบอยู่ครับออมันก็รู้สึกมัน หายใจสั้นหายใจยาวพอรู้เวลาใจลมหายใจสั้นหายใจยาวยาวละเอียดก็คือแรงก็ค่อยนั่นเองเวลาลมยามันจะแรงเวลาลมละเอียดมันจะค่อยจะเบาครี้ว่าลมละเอียดคุณวิทยาครับศีลปะตะปรามาตถ์หมาถึงอะไรมีความเกี่ยวข้องกับภิสุหรือฆลาวาสอย่างไรครับ คือการเชื่อในการทําพิธีกรรมต่าง ๆ, ๆว่าจะมาแก้กรรมได้จะมาสดาะเคาะได้จึงมีเรื่องของการทําบุญสะดาะเคาะกันเยอะแยะไปหมดในสังคมไทยครับแปไว่าเจ้าแม่ที่นั่งเจ้าแม่ที่นี่บูชาด้วยถูกแปดดอกอดอกไม้แปดดอกอะไรต่างๆนี้แล้วก็ขอพรต่างๆครับถ้าตกงานก็ขอให้ได้งานถ้าแฟนทิ้งก็ขอให้ได้แฟนใหม่อะไรนะ อันนี้เป็นเป็นความเชื่อในในเรื่องที่ไร้สาระความจริงก็คือสิ่งที่ดีที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นตรามันเกิดจากการกระทำของเราเรียกว่าบุญหรือบาปถ้าทำบุญก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถ้าทำบาปก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีในใจเรานะั่นแะตัวสาคัญคือความสุขใจหรือทุกข์ใจเกิดจากการ ทำบุญหรือทำบาปถ้าเราทำบุญเราจะเกิดความสุขใจถ้าเราทำบาปเราจะเกิดความทุกข์ใจสิ่งภายในมันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะผลหนักผลที่มีผลมากกับตัวเราก็คือผลในใจเรานี่แหละงั้นถ้าเราทำบุญเราทำความดีเรามีความสุขใจคนอนึ่งเขาจะทำร้ายเราบางทีเราก็ไม่เดือดร้ายก็ได้เพราะเรามีความสุขใจ um? เราจะเจ็บรน่าทางร่างกายแต่ใจเราอาจจะไม่เดือดร้ายก็ได้ เั้นผู้ทียาผู้ที่ผู้ที่ยังมองไม่เห็นความสุขความทุกข์ของใจแล้วไปทอดสิ่งต่างๆภายน้าว่าทําให้ตนเองเออสุขให้ทุกข์อไรเนี้ยเป็นการทอดใจผิดเนี่ยว่าผู้ที่ทําให้ใจเราสุขเราทุกข์ทแท้จริงก็คือการกระทําของเราเนี่เองทำบุญหรือทําบาปงั้นผู้ที่ละศีลละปัตสาวละมานด้ก็จะไม่ไปทําพิธีการเวลาไม่สบายใจก็จะไม่ไป ไปทําพิธีกรรมต่างๆหรือว่าไม่สบายใจเกิดจากเกิดจากการกระทําบาปของเราหรือว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราคืออันนี้ต้องเป็นระ ด, ดับพระอริยพระโสวดันพระอสวดารันจะเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดสองอย่างเกิดจากการทําบาปอยา่างเกิดจากความอยากอ ย, ากอย่างนี้ท่านก็จะมาแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ความ ทำยากแก้ที่การกระทำบาปถ้าทำบางแล้ไม่สบายใจเขาหน้าก็อย่าไปทําครับถ้าเกิดอยากได้นะั้นวไม่ได้ก็เสียใจก็อย่าไปอยากมันเอาไปมันก็จะไม่เสียใจไม่ต้องไปทําพิธีกรรมบบตาม่างๆบางคนอยากได้ตําแหน่งแล้วไม่ได้เสียใจเขาแนะนาว่าเ อ, อต้องไปสละเคราะหน่อยต้องไปบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้หนะะ่อยะเข้าไปกันไปไหว้ศาลเจ้ากันไปอะไรกั น, นตา่างๆ บางทีปีหน้าอาจจะได้ขึ้นตําแหน่งได้เลื่อนขั้นตําแหน่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องศีลพฏิรปารามาทั้งนั้นนะเป็นการบรรเทาความไม่สบายใจให้สัเออมีความหวังขึ้นไปนะงั้นมันหมดความหวังไม่ได้สักทีเขาบอกว่าที่นี่เขาเขาศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรก็ได้นะเออมันเลยสร้างความหวังไว้ให้เกิดขึ้นมาอันนี้คือศีลรปฏิปารามาการกระทําเพื่อบรนเทาความไม่สบายใจของตนเอง ซึ่งความจริงมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุที่แท้จริงโดยที่แท้จริงที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากของเราเดี๋ยวปีน้าไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อื่นรบายแกย้ใช่ไหมที่นี่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์แต่สําหรับเราไม่ศักดิ์สิทธิ์กันได้ไม่ได้าต้องไปเปลี่ยนใหม่ไปหาที่อื่นแต่ถ้ารู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเนี่ถ้าเราไม่อยากสียอยากแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน คุณจำปาหอมครับขอวิธีแก้จิตที่คิดโอ้อวดถึงจะเป็นการอวดดีเช่นบอกคนอื่นรู้ว่าเราไปทำบุญอะไรมาถึงไม่ได้โพสโซเชียลแต่แชร์ให้คนสนิทรู้คือเห็นจิตตัวเองมันพองโตขึ้นกับเรื่องทำบุญเล็กๆจิตแบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าคะก็มันไม่จะพูดยังไงเนี่ยคือ การโอ้อวดนี่มันก็ถ้ามันเป็นความจริงก็มันมันก็มันก็พูดได้แต่มันก็จะไม่ดีตรงที่ว่าการโอวดีของเราเนี่ยมักจะอยากจะให้คนเขาชื่นชมยินดีกับการโอวดีของเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยินดีด้วยเรากาจะเกิดความเสียใจขึ้นมาก็ได้ไม่พอใจขึ้นมาก็ได้มันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้ตัวการโอ้อวดก็อาจจะทําให้คนอื่นเขาไม่อยากจะอ ใกล้ิดเราคบค้าสมัครเขากระหลับก็ได้เพราะจะทําทให้เขาเห็นว่าเราเห็นตัวเราสําคัญกว่าผู้อื่นก็ได้ก็อดชอบยกอีกตัวเองมองไม่เห็นความสําคัญของผู้อื่นเห็นแต่ความสําคัญของตนเองก็ได้กาจะคิดอาจจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ใน<อ>ทานที่ดีทางศาสนาบอกว่าให้เป็นคนทอำตนจะดีกว่าเป็นคนทำตนนี่จะเป็นคนที่ คนอื่นเขาอยู่ด้วยและเขาสบายใจเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกลดยฐานะลงจากการโอ้อวดของของเราแต่ถ้าเราไปโอ้อวดว่าเราเก่งอย่างนี้นเก่งนี้เหมือนก็เราไปไปกดเขาลงไปโดยโดยไม่รู้สึกตัวว่าเธอสู้ฉันไม่ได้นั้นฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้นมันก็ในการไม่ดีต่อการคบก้าวสมาคมกับผู้คนง่ายๆแล้วจะทําให้ผู้อื่นเขามก็อยากจะคบก้าวสมาคมกับเรา ถ้าเาจะเราจะกลารเนคนไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรไปแล้วมีก็เป็นคนที่หลอกลวงเรานะันเแต่คนที่จริงจังจริงใจกับเราก็อาจจะไม่อยากจะคบก้าวสมาคมกับเราคุณอนัญญาครับเวลานั่งสมาธิจะมีอาการเกรงที่หน้าและดวงตามากเลยค่ะมีวิธีแก้อย่างไรคะไม่ทราว่านั่งนั่งด้วยอะไรนั่งโดยพุโทโธหรือนั่งโดยการดูลง อันนี้ก็ต้องดูก่อนถ้านั่งแล้วดูลมแล้วมีอาการเก่งแล้วนี้ขึ้นมาก็ อ, าอย่าเพิ่งไปดูลมให้นั่งนั่งสวดมนต์ไปก่อนเพราะว่าสติเรายังมีกำลังน้อยไม่สามารถบังคับใจให้อยู่อยู่กับลมได้มันเกิดการต่อต้านกันขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดมีอาการเกร็งต่างขึ้นมาได้ก็อลองใช้การสวดมนต์ไปก่อน คุณสมพรครับโยมเข้าใจความสุขจากการเสพจากทางโลกทีนี้วิธีในการเข้าถึงความสงบในทางธรรมด้วยการเจริญสติที่ต้องใช้ปัญญาการดูความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโยมต้องพัฒนาคือให้เห็นตัวความอยากนี้ให้เห็นการชัดๆเมื่อโยมเห็นความอยากก็จะค่อยๆเห็นความสุขสงบในทางธรรมเจริญสติอย่างนี้พอจะถูกต้องแล้วหรือยังครับพระอาจารย์ไม่ถูกหรอกการเจริญสติไม่ให้คิดอะไรเลยไม่ต้องไปไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญา การสติต้องการให้หยุดคิดเจริญสติเพื่อให้หยุดคิดไม่ต้องใช้ปัญญาให้รู้ว่าสาเหตุที่เราจเจริญสติก็คือเราต้องการให้จิตนิ่งสงบให้มีความสุขจากความนิ่งสงบจิตจะนิ่งสงบมได้ต้องไม่เกิดจากการใช้ปัญญาในขณะที่จเจริญสติกเข้าใจผิดนะฉันจะบอกไอ้สารพุทธโทพุโทโธคําเดียวไม่ต้องไปรู้อะไรมากไปกว่านี้ให้รู้ว่าการทํานี้จะทําไปสุขความสงบคือความสุขก็พอแล้ว คุณเดิมาโฮลิกครับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากรู้ลมเบาลงแล้วและเหมือนรู้ซ้อนกันถึงความว่างไม่มีความคิดเราอยู่กับความว่างตรงนั้นต่อไปแทนการจดจอ่อที่ปลายจมูกได้ไหมเจ้าคะหรือควรจดจอ่อที่ปลายจมูกต่อไปครับก็ถ้ายัางดูลมได้ก็ดูลมต่อไปจนกว่าไม่มีลราให้ดูค่อยดูความว่างแทน คุณจิรานุวัตครับอยากสอบถามว่าการเห็นจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นอย่างไรครับเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาเห็นจิตในจิตก็เห็นเห็นอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราว่ามันไม่เที่ยงมีการเกิดระดับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราอยากจะบังคับให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทาให้เราทุกข์ได้ เห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็เห็นว่าธรรมที่เราควรจะมีมีอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเช่นเราเห็นทาริยศาสีหรืออย่างเราเห็นตายรักหรืออย่างเราเห็นอสุภะหรืออย่างนี่ว่าเห็นธรรมนะครับคุณแพตครับลูกสาวเพื่อนชอบปาร์ตี้ดื่มเหล้าและขับรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม่เตือนก็รัปากแต่ก็ไม่ทําเพื่อนทุกใจมากค่ะ ฝากการเป็นถามว่าเขาควรทําอย่างไรและการขอหลักธรรมช่วยใครทุกข์ค่ะเขต้องเริกเลิกเลิกเลิกปลาที่เลิกดื่มเล่าเลิกขับรถให้คนอนืขับให้เราถ้าต้องไปไหนมาไหนได้คนอื่นขับให้เราแล้วเราขับแบบไม่มีสติครับเหมือนถามลูกสาวของเพื่อนนะครับอาจารย์ครับคือมีเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนทุกใจมากเพราะว่าลูกสาวเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ใครถาใครใครทุกใจคือคุณแม่คุณแม่ทุกใจครับแม่ทุกใจว่าลูกชอบไปปาร์ตี้ไปดื่มเหล้าแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุครับในข้อบอกใจก็ไม่ทําเพื่อนทุกใจมากอะอันนี้ก็หมายถึงคนถามเป็นเพื่อนหรือว่าตัวเพื่อนที่อ๋อไม่แต่ก็ไม่ทําเออใจครับ เพื่อนนี้หมายถึงคุณแพนหรือเปล่าคุณแพนทุกใจแทนเพื่อนใช่ไหมที่เขาไม่อหรือว่าเขาทุกเพื่อนเขาทุกถ้าเขารู้ว่าเขาทุกเขาก็ต้องเลิกได้ใช่ไหมถ้าเขารู้ว่าตัวเขาเป็นปัญหาการกระทำของเขาเป็นปัญหาเขาก็ต้องฝืนใจบังคับใจครับอยากปาร์ตี้อยากดื่มเหล้าหรือถ้าเดินเขาอยากขับให้เขาเดินขับให้ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผล คุณเดิมมัลติเวอร์ซัูนิตี้ครับถ้าว่ามีจุดมีต่อมคือสมมุติที่ยังติดยังครอบขอบเขตของจิตไว้ใจไว้หรือครับมันเป็นสิ่งที่มีปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติเองที่จะรู้เองว่ามันเป็นมันเป็นตายรักแต่เื้่งต้นบางทีไม่รู้ว่าป็นตายรักมันคิดว่าเป็นเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้น การับเริงมันถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตไม่เนี่ยเป็นส่วนของจิตมันเป็นส่วนที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นตายละมีเกิดมีดับคุณสมพรครับบอกว่าวันนี้โยมทําตามตัวกิเลสตั้งแต่เช้าคือซื้อต้นยางอินเดียมาหนึ่งต้นเป็นเงินหนึ่ง ห้าิบาทซื้อโคมไฟมือสองหนึ่งอยิบาทซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมือ2การจับใจ่ายใช้เงินของโยมตามใจกิเลสล้วนแต่ลําดับความจําเป็นก็มีเพียงโคมไฟกับหนังสือภาษาอังกฤษส่วนต้นไม้เป็นกิเลสล้วนแต่เป็นกิเลสที่ก่อให้มีความสุขอยู่บ้างเหมือนกันอย่างนี้โยมยังขาดข้อใดอยู่บ้างครับในการเจริญสติเพื่อเข้าสู่ความสุขสงบในทางธรรมครับก็เริ่มเริ่มหาความสุขทางกิเลสให้น้อยว่าทห้มันน้อยหน่อย ใช่เหตุใช้ผลว่าจําเป็นจะต้องมีมันไหมถ้าไม่จําเป็นต้องมีก็อย่าไปมีมันจะรู้ได้ไงว่าจำเป็นหรือไม่จําเป็นก็ก็พิจารณาว่าถ้ามันจําเป็นก็ต้องมีถ้าไม่มีมันจะตายก็ถือว่าจําเป็นถ้าถ้าไม่มีมันแล้วไม่ไม่ตายก็ถือว่าไม่จําเป็นทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะได้อะไรถามว่าจะจะตายไหมถ้าไม่ได้มันมาถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องเอา ใ น, น, นที่ทําให้ตายได้ก็ต้องเอาเช่นไม่กินข้าวนี้จําเป็นไหเอ่ะข้าวจําเป็นจะต้องกินไหมอ่ะกินลมจําเป็นต้องหายใจไหมอ่ะจําเป็นหายใจได้ ใ, ใช้ปัญญาแก้แก้ความโลภต่างๆได้ด้วยถามตัวเองว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อการดำรงชีพของเราคุณนตี้ครับอธิบายอุปจารสมาธิก กับอปนาสมาธิให้พอเข้าใจได้ไหมคะคือสมาธิคือความนิ่งสงบของจิตทีนี้ความนิ่งสงบของจิตนี้มันมีสองลักษณะนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งเลยไม่ไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆสักแต่ว่าอันนี้เรียกว่าอปนาสมาธิแล่อุปจารสมาธินี่เป็นแบบนิ่งแบบไม่อยู่เฉยๆ นังแล้าไปสุขสนไปออกไปเที่ยวนในโลกทิพย์ไปสัมผัสกับกายทิพย์ไปทำํำอภิญญาต่างๆได้ไประลึกชาติได้ไปไปอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้เพื่อนกําลังคิดอะไรอยู่รู้เลยว่าเพื่อนตอนนี้กำลังคิดเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้อยู่อันนี้เรียกว่าพวกอุปจารสมาธิแต่ต้องเข้าไปในอปนาสมาธิก่อนแล้วถึงจะออกไป อุปจาร ะ, ะสมาธิได้ไม่ใช่ว่าถ้ายังไม่เข้าออปะนาสมาธิเราไปเห็นนูน่นเห็นหนี่อันนั้นไม่ใช่เป็นอุปจารสมาธิอันนั้นเป็นเป็นความปูแต่งของจิตเองจิตยังไม่สงบจิตมันก็ปูแต่งเรื่องราวต่างๆไม่มาได้แต่ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ปูแตกแล้วแล้วมันออกไปนับเพ่มเรื่อ ง, ร, องราวต่างๆทเนี้เป็นเรื่องจริงนะ um. แล้วเรื่องกายที่เรื่องวาลึกชาอะไรต่างๆเนี่นเป็นเรื่องจริงแนละไม่ยังกระจากความปูแตก คุณต้นอ้อครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการโยกลืมตาก็ยังโยกอยู่ต้องปฏิบัติยังไงต่อคะก็หยุดมันซิถ้ารู้ว่ามันโยกก็หยุดมัน ไ, นไนงแสดามันยังเคลิ้มอยู่ในขณะดืมตาก็ยังเคลิ้มอยู่ยังไม่ได้สติกลับมาก็ตัง้งสติให้หยุดน่างกายให้หยุดหยุดโยกเราเป็นคนควบคุมร่างกายเนียเราจะให้มันโยกหรือไม่โยกก็ได้น ถ้ามันโยกมันแสดงว่าเราปล่อยไม่มีสติควบคุมมันก็นโยกไปโยกมาถ้าร้องการมันหยุดโยกเราก็ใช้สติหยุดมันคุณเป็กกี้ครับขออากาศเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจริงหรือไม่หากนักปฏิบตัติอธิษฐานจิตขอพร น, นิพพานภพชาติสุดท้ายจะโดนเจ้ากรรมในเวรรวมกันมาขอชดใช้นี่กรรมในชาติเดียวก่อนเข้าสู่ในพนิพพานครับ ไม่จริงหรอกเจ้ากรรมนายเวรมันไม่มีได้รับฟังข่าวจากการอธิษฐานของเราหรอกเราไม่ได้กระจายเสียงบอกบอกเจ้ากรรมนเวนรทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเข้านิพพานในชาตินี้แล้วนะรีบมาจองเวรจองกรรมนะมันไม่มันไม่มีมันไม่เป็นเรื่องเป็นสาระแล้วก็ความความตั้งใจที่จะขอเข้าพระนิพพานนี้ก็เป็นเพียงแต่ความตั้งใจเหมือนกับตั้งใจไปเที่ยวอย่างเงี้ยแวเวลาประกาศว่าตั้งใจจะไปเที่ยวจะมีมามาคอยขอดัดขวางเราหรือเปล่าไม่ให้เราไปหรือเ่า ไม่มีใช่ไหมเราไปเที่ยวไหนไปได้ทันทีขอให้มีเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้ไม่เกี่ยวเราเป็นเรื่องเดียวไหลทั้งนั้นพูดยังไงคิดกันไปเองเชื่อกันไปเองคุณสีครับ โยมสนใจจะทำสมาธิเคยทำเป็นพักๆและหยุดไปบ้างเพราะงงๆว่าตัวเองกำลังทำอะไรกันแน่ทำถูกไหมแต่ความคิดยั ง, งวนเวียนอยากฝึกปฏิบัติจริงจังก่อนเสียโอกาสตายไปเสียก่อนระยะนิยมเริ่มกลับมาปฏิบัติทุกคืนค่ะโยมพยายามรักษาศีลไปด้วยในขณะเดียวกันเวลาปฏิบัตินั่งนิ่งๆหลับตาพุโทโธพุโทโธอย่างพระอาจารย์เคยบอกรวบรวมจิตไม่ให้หลุดจากพุโทโธไปไกลคิดว่าตัวเองไม่ได้เพ่ง คงสั้นน้อยลงกว่าคราที่ฝึกครั้งก่อนแต่ก็ทําได้แค่สิบถึงยี่สิบนาทีคือถ้าเริ่มวอกแวกโยมจะหยุดหรือว่าโยมควรจะควรจะฝืนทําต่อไปถ้าจะพุโทโธได้ก็พยายามพยายามบังคับให้ไปพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันอาจจะสงบได้ลราใกล้ถึงจุดนล้วทีนี้กิเลสมันก็เลยรบกวนเราแล้วเราต้องฝืนกิเลสให้ได้แล้วพยายามพุโทโธต่อไป อยย่าุคุณซัมซุงครับกราบเรียนพระอาจารย์ครับฉันกราบเรียนถามการที่ลดความอยากและปริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกอิรยาบทและลดความอยากถึงขั้นอุเบกขาแล้วยังคะยังหรอกอุเบกขาเนี่ยน้องจิตต้องสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถึงจะเป็นอุเบกขาจริงไม่ฮย่างนั้ก็ยังเปนอุเบกขาแบบมังคับมันอยู่มังคม่ให้จิต เฉยๆแต่มันบังคับด้วยด้วยความพยายามด้วยความอดทนนั่นเองแต่มันยังไม่เป็นธรรมชาติยังไม่เป็นรอยขาแบบธรรมชาติที่มันจะเฉยจริงๆคุณเบ <c oughs> ตเตเลตครับถ้าบางทีเราเดินหรือนั่งรถแล้วมีเห็นคนเป็นโครงกระดูกอย่างนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาอสุภะไหมครับก็อยู่ <c oughs> ท, าาที่ว่าเราตั้งใจดูมันหรือ เ, นนเปล่า ถ้ามันไม่ได้ดูมันก็เป็นจะเป็นความจําที่มันโผลขึ้นมาการที่จะเห็นมันเป็นดรรสุภาษิตต้องเห็นตลอดเวลาไม่ใช่แค่แวบฟเดียวเห็นแค่วบเดียวยังเอามาทําประโยชน์ไม่ได้ต้องเห็นตลอดเวลาเพื่อเวลาที่เกิดการมาลงขึ้นมาจะได้นำเอาการมาลงได้ถึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมสุภางแท้จริง คุณน้องหลินครับพระอาจารย์คานั่งสมาธิปฏิบัติในปัจจุบันเหมือนเปิดไฟนอนเลยเจ้าคะ่ะไม่มีอะไรเลยแต่ยังปฏิบัติทุกวันรู้สึกว่าห้ามหยุดหนูต้องปฏิบัติหยุดไหนต่อคะทําทให้นันดาทำให้มากขึ้นถ้ามันมีความสุขมันมีความสงบ ก, ก็ทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นคุณมิ้นครับ เมื่อก่อนเคยมีความสุขกับเรื่องง่ายๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบางครั้งความสุขหายากกว่าเมื่อก่อนความสุขที่แท้จริงคืออะไรล่ะคะเคยความสงบที่เกิดจากการจรินสตินั่งสมาธินี่เองความสุขอย่างอื่นนี่เป็นของไม่แน่นอนบางทีก็หางา่ายบางทีก็หายากแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สภาพแวดล้อม สู้ความสุขที่เกิดจากความสงมบไม่ได้เพราะเราสามารถหาได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความสามารถเราก็จะสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากความสงมบนี้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปเครื่งพายสายสิ่งหนึ่งมาให้ความสุขกับเราคุณวินนีิแวนครับทําไมเวลานั่งสวดมนต์ก่อนนอนน้ําตาไหลตลอดเลยคะมันก็เป็นเรื่องของคุณนะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน มันเป็นก็รู้ว่มันเป็นก็ไม่ต้องไปนสนใจมันก็สวดมนต่อไปสวดให้มันเสร็จไปแค่นั้คุณธนพงศ์ครับสวดมนต์ได้แป๊บเดียวจิตใจไม่นิ่งนั่งสมาธิก็ไม่สงบอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับควรปฏิบัติตนอย่างไรครับออเอน่าสวด น, นานๆสวดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วจิตมันจะนิ่งแล้วก็นั่งสมาธิต่อมันก็อาจจะสงบได้ ท, ทําน้อยเกินไป คุณทวันครับเรียนสอบถามครับผมชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากกว่านั่งที่บ้านรู้สึกปฏิบัติที่บ้านไม่ค่อยสงบอยากจะออกไปนั่งที่วัดมากกว่าจะรู้สึกปฏิบัติจริงจังและสงบกว่าที่บ้านสอบถามว่าจะปฏิบัติที่ไหนดีครับที่ไหนที่สงบกว่นกันก็ไปที่นั่นเลที่ไหนที่ได้คนดีกว่ากันก็ไปที่ที่ได้ผลดีกว่าคุณพัตรระครับ สมมุติว่าถ้าเราเห็นว่าทุกทั้งหลายทั้งมวลที่ทับถมจิตอยู่นี้เกิดจากเราเข้าไปถือเอาให้วางซะแต่ต่อมาก็ไปหอบเอามาถือเอาอีกเช่นเคยควรแก้แก้เช่นไรครับว่าเราต้องเราต้องแก้ที่สาเหตุคือความหลงเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นตายรักอยู่ไม่ว่าเราลืมไปบางทีคราที่แล้วเราละได้อ้าเดี๋ยวเราลืมไปแล้วเรากลับมาไปคนกลับอาใ ห, หม่ เราก็ต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายักใหม่ <Okay. S 1> จนกว่ามันจะไม่ลืมแลวต่อไปมันก็จะไม่กลับไปคมน้าใหม่คุณโพธิยานธรรมทานครับจิตอยู่กับปัจจุบันคือมีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาจะร้อนบุบบุร่างกายบริเวณหัวใจเพราะจะใช้ความรู้ตัวมากเป็นพิเศษเพราะจิตไปคิดก็รู้ปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ ก็พยายามปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันคิดนะครับถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันให้ไ ด, อาาดอาา้อาจารย์ครับคำพับสุดท้ายภาษาอังกฤษกับอาจารย์ครับ w i s d o n kindness love I am practicing Dharma and keeping the five precepts I have the following questions for guidance one how can I prevent from having wandering eyes when walking outside You have to use the mantra "butoh t b u t t o and concentrate on your step when you walk outside. Don't look at other things. You can either uh, keep watch watching your steps and don't go look at other things. Force yourself to concentrate on your steps alone and not and not looking at other things. Uh, if you feel you can use the mantra to keep your eyes from wandering around, you can also use the mantra butto butto. I was used to seeing faces of people in the past, but want to prevent defilement caused by sexual or physical attraction to women. This could lead to distraction caused by these d e f i l e m e n t which I do not want. Okay, so you have to have mindfulness when you do walking. Force yourself to concentrate on your. Watching your steps. Don't look at other things unnecessarily. If you have to look, just look briefly to see that everything is okay. Then come back and keep watching your steps. Don't let your mind go away from your steps. Maybe just briefly, just to know that everything is okay around you. Then keep bring it back to your steps. Concentrate on watching your steps when you walk. Question number two: If a distraction like this does happen, with those defilement and having wandering eyes, how can I regain mindfulness? You just have to rest restart, come back to your focus again, come back to your steps again. Keep sticking to your steps. Every time you lost, bring it back to watching your steps. If you do this, if you persist, eventually your mind will stop wandering away from your steps. But at first, you might have to keep bringing it, bringing it back. When you lose it, it goes to somewhere else. When you realize it, then bring it back to your, to your step again, to watching your step again. i t s t i m e to keep on doing this. Be patient. It takes time. It doesn't happen right away. Sometimes. Okay. Thank <laughs> <laughs> แต่เป็นไทยให้สักนิดหน่อยไปครับส ร, สรุปสรุปสรุปก็ได้ครับเขาบอกว่าเขามีปัญหาเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเขาชอบมองมุ่นมองนี่นนนนนแล้วเวลามองแล้วไปเห็นภาพของผู้หญิงอะไรสวยงานว่าเกิดการหลงกลขึ้นมาอยากให้ทายัางไงดี <S <S เขาบอกว่าต้องบางเข้าให้มันดูที่เท้าเวลาเดิน ด, ดูดูที่เท้าดูที่ทางที่เราเดินข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างแต่อย่าไปมองรอบตัวเรา อย่ามาเ้าไปยู่ที่เท้าลองดูแล้วดูคือทอสายตาลงต่ำง่ายๆเวลามาพาดเดินบินตบานนี่ท่านเวลาพาดเดินนะนานๆท่านจะให้ใ ห, ให้ให้ทอดสายตาลงต่ำดูแค่ระยะไม่กี่เมตรข้างหน้าเพื่อจะได้รู้ข้างหน้ามีอะไรกีดขว า, า, า, า, างหรือไม่แต่ามาให้มองแบบไปเดินชอปปิ้งตามสถานศูนย์การค้ามองรอบไปหมดเลยมองข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง อันนี้ไม่ใช่เป็นการเดินด้วยด้วยการมีสติพอถ้าปล่อยให้ใจมองแบบนั้นมันเห็นอะไรมันก็จ ะ, ะเกิดสัมผัสรับรู้แล้เกิดการรบกขึ้นมาทันทีงั้นต้องอยสำรวมเลือกสำรวมตาสำรวม ต, ตาไม่ให้ไปมองในภาพต่ตางๆที่ไม่จําเป็นจะต้องมองแล้วแต่ในส่วนที่ตจำเป็นต้องจะต้องมองก็คือระยะที่เรากําลังเดินอยู่ข้างหน้านราทั้งนี้ว่าข้างหน้านั้นมีมีลายกีดขวางหรือเปล่ามีหลุมมีบ่อหรือเปล่า เพที่เราจะได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดอันตรายกับตัวเราแล้วเราจะไม่ไปมอกอย่างอื่นไม่สนังไม่จะเห็นคนเดินไปเดินมาก็ไม่สนใจไม่ไปนสนใจคเขาสนใจอยู่ที่เท้ากับการเดินของเราเท่านั้นนี่เราเปการเจริญสติเพื่อระรับกิเลสคือความอยากต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นมากับผม อาจารย์ครับวันนี้มีผู้ฟังใน f a c e b o o หกร้อยแปดสิบสามคนใน y o u t u เจ็ด7้อยสาสิบเจ็ดคนในคลับเฮ้าส์สิบสองคนครับรวมหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองคนครับอาจารย์ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่น่วมนั่ง ก, ก, กมาฟังมาชมแล้วก็ขอผ่ายด้วยที่มีปัญหาเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ที่มาจาสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ขัดเข้าอละก็ไม่ถึงกับจะตั้งเลิกก็ดีไปครับอคีมามา้มว่า พอสำกุลแก่เวลาตลอดคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำวสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเทสักูขอลาคุณหรอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงท่านี้อาทิหน้านถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีภาษาก็คงจะได้พบกันอีกขั้นหนึ่ง พ่อจแรงพลอ ย, ลอยขอบคุณครับ